เริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้คอยทำทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานสิงฆวนาใครสนใจก็เชิญเข้ามาน่วนุ่มฟังน่วมสอบถามได้หรือถ้าไม่ในการสอบถามก็ดูถาม เฟนบ o ๊กไลฟ์หรือยูทูบไลฟ์แทนก็ไนดะ้ใครอยากจะสอบถามก็ต้องเข้ามาในห้องสูงนี้อันนี้เราจะไปที่คุณหมอพี่เชษก่อนใช่คุณหออมอกรบมพัฒน์ศักดิ์พัฒอาจารย์ครับโยนไดรักษาติดแปดโย<อ>นได้รักษาทีดแปดมาได้เจ็ดวันไม่ยากไม่ย า, ไมยากมันแค่อยู่คนเดียว จะพระอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินครับคงไม่ไมยากอยู่คนเดียวคงไม่ยา ก, ยากไม่มีคใครมายั่วยบได้มันเจริญสติการจงกรมนั่งสมาธิสลับกับฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์รู้สึกว่าใจสงบมากขึ้นเวลานั่งสมาธิจิตเข้ารวมก็สูกสมาธิได้ง่ายขึ้นเข้าได้ลึกและอยู่ในสมาธิได้นานแต่บางครั้งก็เข้าได้ยาก บางครั้งก็ไม่เข้าจึงมากราบเรียนพระอาจารย์และจะตั้งใจปฏิบตัติต่อไปครับพระอาจารย์เออก็อยู่ที่สติของเราถ้าสตี ด, ดีมันก็เข้าได้ถ้ามันไหนสตีไม่ดีใจใจใจไม่ตั้งใจคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็ทําให้เข้ า, ขายากถ้าพยายามทำไปพยายามฝึกสติตลอดเวลา อ, อแล้วก็ ต่อไปท้านั่งแล้วมันเจ็บเราก็ลองใช้สติช่วยให้มันอยู่กับความเจ็บให้ได้อย่างเงพื่อนลูกเราใช้คําบริกรรมก็ได้ที่แกะความเจ็บแล้วใช้มันกังวลกังวายมันอยากจะลูกว่าเราใช้พุทโธพุทโธพุทโช่วยไปนก็าจจะผ่านอาการเจ็บปวดไปได้อ่อ หลายหายครั้งก็ผ่านไปได้หลายหลายครั้งก็ก็ผ่านไม่ไหวต้องไม่ไหวก็ปัจจัยเขาต้องไวยบอกว่ามันไม่ต้องทําอะไรเราไปอยู่เฉยๆดนั่นเองมันไม่น่าจะยากเลยไม่ได้ไปแบกของไม่ได้แบอะไรมันเจ็บมันรู้ว่ามันเจ็บนั่นเองเราอยอมรับสภาพว่ามันเป็นหน้าตาเราควบคุมต้องขับอะไไม่ได้ต้องอยู่ประมันนะอันอยู่กับมันนะอย่าไปวิ่งดีมัน <c oughs> วิ่งหนีมันเดี๋ยวมันก็ตามมาเลยเหมือนเงาตามตัวตัทุกเวทนะงั้นอย่าไปวิ่งหนีมันดีกว่าพุโทโธพุโทโธไม่ต้องไปอยากให้มันหายไม่ได้พูดโธเพืให้มันหายพูดเธอพ่อให้เราหยุดวิ่งหนี <c oughs> ใจเราชอบวิ่งหนี <c oughs> ให้หยุดใช้พุโทโธหยุดใจหยุดความอยากที่อย่างนี้จากความเจ็บไปยอมรับค่าสภาพค า, พ า, พาพมเป็นจริงของมัน มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มันมาด้วยกันต้องเจอมันนะการเจ็บไข้ได้ป่วยอาการเจ็บปวดทางร่างกายหนีไม่พ้นนุ่นพนนงพ้นไปไม่ได้ถ้าหนีเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เท่านะั้นพย า, ายามใช้บุตรโห ย, ยุดคร่ะยุดอาการนีของจิตความอยากให้ความอยากนี้จะกความเจ็บไปนี่ค่ะเรียกว่าเป็นวิภาวตนาเป็นสรุปท้ยเป็นต้นแหตของความทุกข์ น้องนำไปปฏิบัติครับอาจายนีโอเคนะยินดีด้วยที่พริสัทปฏิบัติอย่างเข้มข้นคิดว่าผมขอให้รักษาระดับการปฏิบัติให้มันเข้มข้นไปเรื่อยๆมันจะได้ถึงวัยนะครั บ, ร บ, ร บ, รบเขาต้องแข็งกับเวลาเนี่ยตายมันเริ่มเวลามันใกล้จะหมดแล้วเริ่มเข้าดาแล้วนี <c> ่ <oughs> อย่าประมาทพเจ้าอย่าประมาณ ทางกาเป็นของไม่เที่ยมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาลงยังประโยชน์ของตอนนะของผู้นะถึงความด้วยความไม่ประมาเทเถอดไม่ประมาณก็คือทุกเวลานาทีถ้าไม่ว่างเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติเมื่อ น, นั้นโอเคน ะ, ะคุณสา ธ, ธากาเชิญจ้ ช้นหน้ามามฟังเหมือนตวอว่ายั ง, ววยงเอ่อเมื่อวานตกคะ่ะวันนี้ยังไม่ตกคะ่ะพระอาจารย์ค่ะ ม, มาฟังธรรมคะ่ะพระอาจารย์ปฏิบัติทุกวันคะ่ะค่ะทุกคะแม่กับเจที่รำำกราบนมัสการพระอาจารย์ครับะจะมาส่งการบ้านใช่ไหมใช่ค่ะครับมุ่งคล่อสิดข้อที่ ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบครับาาขันตีจะโสวจัตสัะ ส, ะาสมา น, านันจัทัสสานังกาเลนะธรรมะสากัดฉาเอตัมังคะรมุตตังการมีความอดทนการความเป็นผู้ว่าง่ายการพบเห็นสมณนะ และการสนทนานทำตามการทั้งสี่ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดเข้าใจไหมข้อหนึ่งเข้าใจค่ะแปล ว, ว่าอนะขันติขันติใช่คับก็คือก็คือการที่แบบอดทนการอดทนก็คือแบบการที่เราไม่ทำตามที่กิเลสของเราบอกครับ เวลาที่เราไม่พอใจเราก็ต้องอดทนใช่ไหใช่ครับไม่แสดาการโกรธขึ้นมาเใช่ไหมใช่ครับอดทนอดทนเวลาเราเจะความลําบากก็ต้องอดทนชีวิตไม่ได้รวยบนกลีบดอกกุลาบตลอดเวลาเดี๋ยวก็อาจจะไปเจ อ, อ อุปสรรคต่างๆอาจจะอดข้าวว่างไหมอดข้าวหรือว่าที่ต้องเดินไกลเพราะลนยางแตกหรืออะไระต้องมีความอดทนนะถึงมิจจะถ้าอ่อนแอไม่ออดทนไม่เข้มแข็งก็จาจะพันฟ่าอุปสรไปไม่ได้อาจใรย์ถาว่าอดทนครับอาจารยครับ นั่งสมาธิแล้วมันเจ็บก็อดทนอย่าอึ้งลุกอดทนอยู่กับความเจ็บไปท่อพุโทโธพุทโธไปต่อไปก็จะได้ไม่ต้องกลัวความเจ็บต่อไปความเจ็บมันจะไม่มาทําลายเราได้ไม่สามารถมาขับไ ล, ล่เราไปไหนได้นะปฏิบัติธรรมต้ออดทนนะอันติครัขบข้อที่สองว่า ความเป็นผู้ว่าง่ายครับก็คือใครสั่งให้ทำอะไรก็เราก็ควรทาตามครับต้องเป็นคนที่เขาสั่งต้องเป็นคนสั่งคาสั่งที่ดีนะไม่ใช่สั่งให้ไปเล่นกระป๋ายไม่ได้คาสั่งมันมีคบสั่งที่ดีกับคสั่งที่ไม่ดีต้องรู้จักแยกแยะอี่างนี้ย่ก็สั่งให้ไปเรียนหนังสือไม่ไปแต่ถ้าสั่งให้ไปเล่นกระป๋ไยเลย ต้องรู้จักแยกแยะนะว่าคำสั่งไหนดีคำสั่งไหนไม่ดีถ้าพ่อแม่สัง่งต้องเชื่อว่าดีครูสั่งนี่ดีเพราะพ่อแม่ครูเขามีแต่ความปรารถนาดีกับเราแต่เพื่อนนี่อย่าไปฟังคำสั่งเพื่อนนะเพื่อนไม่ได้มีความปรารถนาดีเท่าไหร <c oughs> เพื่อเราเป <c oughs> ็นความปรารถนาไล่มากกว่าสั่งให้เรานีโรงเรียนนี้ ทำให้เราไปเล่นเกมไม่ทําการบ้านอะไรอย่างนี้อย่าเชื่อนะต้ององรู้จักแยกแยะว่าคําสั่งนี่เป็นคําสั่งที่เป็นคุณหรือเป็นโทษครับครับข้อต่อไปข้อต่อไปการพบเห็นสมณะครับก็คือการอก็คือการที่เราไปพบพูมิพระอย่างเช่นพบพระอาจารย์ครับ เขาสัมมนาเนี่แปลว่าผู้สงบสงบ ก, กายสงบวาจาสงบใจแต่แม้จะเป็นพระแต่ถ้าไม่สงบ ก, กายสงบวาจาสงบใจก็ไม่ถือว่าเป็นพระพระแท้ต้องสงบ ก, กายวาจาใจไม่ใช่ไม่ใช่รุ่งนะมองเรานั่นนกระบบต้องเป็นออกกำลังกายฟิตเนสอะไรพวก น, นี้อันนี้ไม่เรียกว่าสัมมนะะ สมสมา น, นวานอนสมาวานอนรู้ <c oughs> จักวานอนไหมรู้จักครับเนี่ยนะสมมาวานอนไม่สมณะสม <c oughs> สมณะต้องเรียบร้อยนะสงบคายงบวาจาพูดจาก็เรียบร้อยสมมาวาจาไม่พูดคำยาวไม่พูด เพื่อจะไม่พูดยุยงให้คนเข้าก่อกันเกียดกันแล้วก็ไม่พูดปดเนี่ยนี่คือสมบัวาจาสมมาวาจาพูดพูดอย่างนี้แล้วจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเสียายไรสมบัตกายก็คือไม่ไม่เต็นแรงเต็นกลางไม่เอาเอาเดรัชามาเป็นอาจารย์นึ่งคร mm ู hmm. เาราพุทธเจ้าเอาพระอราหันมาเป็นคู่รูเรียกว่าสัมมะนะส ม, มณะนาะทางศาสนาพูดก็คือพระอริยะบุคคลสี่ระดับนึ้เรว่าเป็นพระ อ, อริยะแท้พระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอราหน<อ>การที่เห็น<อ>การที่เห็น<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเฉย ๆ, ๆการเห็นก็คือให้เราเข้า<อ>หา ก็ื่อความเทศความธรรมความคำสั่งคำสอนไม่ใช่ไปเห็นพระเห็นแล้วก็จบเห็นแล้วก็เฉยเฉยเห็นแล้วก็เดินหนีไปไม่ใช่ถ้าเจอสมณะเจอพระที่ดีควรจะเข้าหาบ่อยๆเข้าไปศึกษาไปฟังคำสั่งคาสอนไปฟังเทศความธรรมมีคำถามอะไรก็สอบถามได้ครับ อีกข้อหนึ่งหัวเรืยงการสนทนาทำตามการครับอ่าเนี่ยทุกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเรามาสนทนาธรรมกันนะตามกา ร, รอ่าตามตารางเวลาเรามีนัดกันทุกขึ้นมาพุธเวลาสองทุ่มอ้าไม่ติดม่ติดธุราอะไรจะเป็นก็ต้องพยายามทำให้ได้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้เรียนรู้อะไรที่เราไม่รู้ สิ่งที่เรารู้แล้วอาถ้าได้ยินในคำซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นถ้าเราสงสัยก็ถามได้นมีประโยชน์จากการสนทนาธรรมกันนะครับเรา ล, ลืมข้อไม่อยาข้อที่เคยทํามาแล้วนี่ลืมหรือเปล่าเราทบทวนนะเราไปทบทวนนะที่นี้ไม่มีเวลาให้ทบทวนแต่ต้องทบทวนทุกวันนะครับเรา พอเราดื่นข้อใหม่ได้แล้วก็เรากลับไปทบทวนข้อเก่าให้มันให้มันให้มันมาถึงข้อใหม่ที่เราเท่าใหม่ไม่ใช่ได้ใหม่แล้วของเก่าหายไปอยังีขาดทุนมงคลก็ไม่ครบสามสิบแปดสักดีอใจานะครับอาจารยครับโอเคมีอะไรจะถามไหมไม่มีว่าไม่มีค่ A, อันนี้ป่าป้าไปไปบ้านเไปยืมบ้านเนยังไม่ไปค่ะไปครับไปวันที่เออไปไปอีกอาทิตย์นึ่งอะค่ะอาทิตย์หน้าเนี่ยโอเคค่ะทางครับทาะครับขอบคุณพระอาจารย์ครับคุณนันทภาพจักรบนอันนี้ พายุเข้าเนี่เข้ามันจะเข้าเย็นนี้เออวันวันนี้ฝนตกเออเกือบทั้งวันเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ยังไม่หนักมากแต่เห็นเขาบอกว่าจะเข้าคืนนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ที่หนักหนักเจ้าค่ะเห็นแล้วน้ำท่วมบางส่วนได้เลยเออบางส่วนน่าจะเป็นที่ใกล้ใกแม่น้ํามูลนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าแม่น้ํามูลเต็มตลิ่งใช่ค่ะเต็มล้นตะลิ่งแล้วค่ะค่ะ <า S 2> เดี๋ยวในพายุข้ามคงจะเยอะขึ้นนะคนันจะเยอะขึ้นใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะผาจ่าเตรียมตัวย้ายของกันที่สูงในงบ้านเราปลอดภัยบ้านบ้นบ้านลูกไม่ค่อยอยู่ใกล้แม่น้ําเท่าไหร่แล้วอยู่ในที่ค่อนข้างสูงเจ้ า, า, าคนะ่ะผาอาจาร่าไม่เคยท่วมนะค่ะไม่เคยท่วมเจ้าค่ะผาจาย์เจ้าค่ะค่ะมีอะไรไหมสำหรับวันนี้ลูก ลูกมีมีนิดหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ลูกได้ฟังคำม้าจากพระอาจารย์แล้วได้น้อมนาไปปฏิบัติอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์สอนว่าชีวิตเหมือนกับบุฟเฟ่ไม่ใช่อลาคาร์อ่ะค่ะพระอาจารย์ทีนี้ลูกไม่ใช่อลานตามสัง่ง <laughs> ลูกลูกเอามาใช้มันดีมากเจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันทำให้ลูกเนี่ย เวลามีอะไรเกิดขึ้นก็พอเราเข้าไปจุดที่ว่ายอมรับใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์พอเรายอมรับเสร็จเหมือนกับว่ามันจะเป็นเข้าไปในในการจัดการน้อยลงแล้วสักแต่ว่าได้ง่ายขึ้นเจ้าคะพระอาจารย์อมองเห็นหนะน้าตาเราไปจัดการกับเขาไม่ได้ให้เขาจัดการไปตามเรื่องของเขาดีากาเราเป็นเพียงแต่ผู้มากินบุฟเฟ่ก็กินตามที่เขาจัดมาให้เรากินกับเราเอง ใช่เจ้าค่ะพรพอคิดอย่างนี้แล้วมันได้ถ้าคิดเข้าไปในทุกเรื่องนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมันทําให้เราสงบมีความสงบกายสงบใจมากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่พวเราเชอบอารคาคาเนี่ยชอบมาหาตามสั่งอันนี้ไหม <laughs> เ, อเอากุ้งย่างเอาเป็ดย่างเอาค่ะและ้วแล้วก็ลูกมีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ว่าอาจารย์พูดในห้องภาษาอังกฤษว่า ten ten code c o s meal มันคืออะไรเจ้าคะพ่อจารย์ c o s meal อาหารสิบชุดไงของอาหารจีนีงโต๊ะจีนมีอาหารสิบชนิดไง Ten c o s c o s cross, cross, s oh c o s เ oh t c o เ r s e วิชาอาหารจีนเ็มื่อเวลา้ยจีนก็าจะมีอาหารกว่าสิบชนิดไอจัดมาที่อาจานทีอาจาน เราไปสั่งไม่ได้เะเไปกินเรื่องโต๊ะจีนเขาเขาจะจัดมาให้เรากินตามตามตามสูตรเขาค่ะคอร์สก็แปลว่าสูนย์คอร์สอ๋อลูกฟังผิดก็คือคอเหมือนคอร์สอย่างเงี้ยใช่ไหมจ้าขาผู้อาวุโสค่ะคอร์สเหมือนคอร์สเรียนอย่างเงี้ยจ้าขาคอร์สเรียนวิชาสิบวิชาอ๋ออันนี้ก็ใช่จ้า่ะอันนี้เราก็จะต้องกินตามที่เขาจัดมาให้เหมือนกัน ไปกินเลีงโต๊ะจีนเลยไบอกให้เอาอานี้มันย่างนี้ไม่ได้ไก็จับดนะ้ก็เหมือนบุฟเฟต์แต่แต่ว่าบุฟเฟต์ไปตัดเองแต่อาหารจีนนี้ไม่ต้องไปตักก็ามาตั้งให้ตทต่อต๊มเจ้าข่าวพระอาจารย์แล้วก็อีกอีกคำถามหนึ่งเจ้าข่าพระอาจารย์ลุกลุกย้อนไปฟังที่เป็นเทปธรรมะบนเขาวันที่สิบเก้ากันยาพระอาจารย์พูดถึงเศักดิ์แต่ว่าเจ้าข่าพระอาจารย์แล้วก็ การที่เราสักแต่ว่ามันคืออุเบกขาใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ใช่ให้รู้ใช่ใช่ยนใ่ใช่สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นค่ะแล้วการที่สักแต่ว่ามันมันก็คือเรามีการดําเนินของนามขันเนี่ยไปตามปกติแต่มันไม่มีไม่มีการเข้าไปจัดการหรือว่ามันมันไม่ไม่ไปรักไม่ชังไม่มีอารมณ์สิ่งที่เรารับาเ้ อไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอเจ้าค่ะพ่อจ๋าค่ะเคาาค่อนข้างเข้าใจแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเอาไปปฏิบัติคงจะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเจ้าค่ะพ่อจ๋าเห็นกระเป๋าแบรนด์เนมเห็นรองเท้าแบรนด์เนมเขตาลูกวาวเจ้าค่ะค่ะวัด หรือใครดาโง่โกอดขึ้นมาไรใช้หมด<ะ>ใครชมอะใช้ไครกอดก็ใ ช, ใรรใช้รับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินเจ้าค่ะคือการที่เราจะจะมาจับคําว่าสักแต่ว่าได้ ล, ลูกลองดูแล้วคือถ้าเราจเจริญสติมาบ่อยๆมากขึ้นมันมันจะทําให้สักแต่ว่าได้ได้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะอ า, าจารย์ ฉันยังได้ ง, ง่ายถ้าเข้าไปถึงเข้าไปถึงเข้าไปถ<ม>ึงสมาธิได้เออกมามันก็จะมันก็จะง่ายขึ้น<ม>ต้องดันเวคาจากสมาธิเจ้าค่ะพากจากคืออาจารย์น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติต่อเจ้าค่าพาต้องต้องปฏิบัติสมาธิเพราะอย่บางครั้งมันให้มันเฉยมันยากมันอาจจะบางเวลาก็ได้แต่ไปเจอของอะไรยากๆมันก็เฉยไม่ได้ เจ้าค่ะพอาจารย์แต่ถ้ามันมีสมุนไพขาจากสมาธินี่ของยากของง่ายก็ใช้ได้ค่ะค่ะ ส, คสำหรับวันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะกับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าข อ, อะอาจารย์พรพิไลไปไงกลับนวดสกังาพระอาจารย์ค่ะวันนี้ ยูค่ายูค่ากำลังเมรับมาสกพระอาจารย์ครับค่ะไม่มีคำถามค่ะไม่มีคำถามค่ะรับฟังพอดีเมื่อวันอาทิตย์ได้เมินเปิดไม่ค่อยได้ฟังกันคะ Question and Answer ของพระอาจารย์พอดีได้ฟังพอดีค่ะได้ฟังพอดีแล้วก็ได้รับที่พระอาจารย์ส่งมาก็เลยยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอืมโอเคค่ะ อรัสดีก่อนนะครับขอบคุณครับคุณหมอณัฐิดาคุณหมอในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็วีคนี้ก็มาขอเติมพลังจากพระอาจารย์เจ้าค่ะพดีว่าก็มีกิจกรรมอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยเหมือนกับว่าทําให้ความเข้มข้นในการปฏิบัติอาจจะลดลงไปบ้างเจ้าค่ะอย่างเช่น ก็คือมีคนมาชวนไปเล่นดนตรีอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็มันก็เลยเหมือนสิ่งที่เราจะเล่นแล้วก็เมโลดี้อะไรมันก็อยู่ในหัวนิดนึงเจ้าค่ะพ่อจันเวลาที่ค่ะ อ, <c oughs> อันนี้บอกให้ไปทับกิจกรรมอย่างอื่นนะการทำนั้นมันจะตกข้างอยู่ในใจเราเวลาจะมาทําแน่ใจว่ามันต้องใช้เวลามากกว่าจะเครียรมันได้โอเคค่อะอาจารย์ก็พิจารณาเรื่องพวกตออ การเลือกทํากิจกรรมทางโลกอยู่เหมือนกันเจ้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าบางทีก็มีหลายท่านที่แบบหยิบยื่นโอกาสเลยมาแต่เราก็เหมือนต้องใช้ใช้พลังเยอะเหมือนกันแล้วก็อย่างอั น, นึงก็คือแบบเรื่องแบบพวกงานการสอนอะไรอย่างงี้เจ้าค่อาจารย์ครูปรีโยมก็มีแบบงานสอนในในมหาวิทยาลัยอยู่แต่ว่าก็เป็นแบบนานๆทีแต่ว่าทีหนึ่งเนี้ยก็คือแบบเป็นทั้งวิชาเลยก็ค่อนข้างหนักกัะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ก็เหมือนปรับเป็นวิชาเลือกก็เลยแบบกําลัง ดูอยู่ว่าจะจอยังไงดีประมาณนี้สิครับถ้าตัดได้ก็ตัดไปเลยมันเป็นนันทิชของชั่วคราวนั้นทําล้วก็ผ่านไปเสียเวลาเอาเวลามามาปฏิบัติดีกว่าพยายามดึงเวลาใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ให้กับการปฏิบัติให้มากจะให้มันอย่างอื่นดึงไปอะไรยังดึงไปบอกว่ามันไม่เที่ยงของอมันชั่วคราวทําแล้วก็ผ่านไปแล้วก็จบผลที่ได้ทํามันก็ชั่วคราว เจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะลองจัดสรรเจ้าข่าพระอาจารย์ก็จะขออนุญาตขอคําแนะนําพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการระลึกถึงความตายเจ้าข่าพระอาจารย์ว่าคือถ้ายมเป็นเหมือนกับบริกรรมคําว่าตายไว้แล้วก็คอยระลึกว่าแบบเราเอเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็คนรอบตัวก็อาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ในในการเอนั่งสมาธิก็คืออาจจะใช้คําบริกรรมอันนี้ถ้าเกิดว่าแบบ เออยังมีความคิดอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเพื่อให้เหมือนกับเตือนตัวเองว่าเราจะไม่ประมาทต้องเล่งความเพียรอะไรเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ประมาณนี้พอได้ไหมเจ้าค่ะได้ได้เพียงแต่ว่าต้องระวังถ้ามันไปถึงจุดที่มันรู้สึกโคตรโหดร้าเศร้ามันก็ต้องหยุดว่ามันถ้ากินยามากเกินไปทานตายนี่ก็เป็นเหมืันยาถ้ากินมากมันก็จะมีปฏิกิริยาทางจิตใจได้แต่ถ้ามันพิจารณาแล้วมันมัน ใจมันสมบใจมันหายคลึนนกคลอนแล้วมันวองได้วางได้ใหเป็น ญ, ญาที่มีประโยชน์แต่ถ้าไปพิจารณาแล้วทั้โอ้เหนือก็ตายหมดพวมันต้อยู่ไปทำไมอย่างนี้ก็ต้อ ง, ต, องต้องหยุดนะ ต, ต้องพักเปลี่ยนมาเป็นพุโทโธพุโทโธทำใจแสดงว่าขาดโเบขาโมเบขาหมดแ ล, แล้วมีปฏิญาณกับ อ่าไม่ชอบความตายเจ้าค่ะพระจันทร์ก็มีย้อนฟังที่พระจันทร์แนะนําเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เจ้าค่ะแต่โยมก็ยังไม่ได้แบบรู้สึกขดผูกเลยอะไรเจ้าค่ะพระจันทร์แล้วก็เหมือนกับฟังที่พระจันทร์แบบว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นกองที่ทําให้เหมือนสงบได้ได้ดีเนี่ยอาจจะคิดถึงกับว่าเหนื่อยยังไงก็ต้องตายแล้วไม่รู้อยู่ทำไมฆ่าู้กตายแล้วตอนนี้เลยมันเรื่องหมัดาวไป ในฆ่าค น, คนนู้นคนนี้ไปเดี๋ยวก็หนุนตายนะเนี่นนนยอะไรแสดงว่ามันมันมันผิดแล้วนะพิจารณาเพื่อฆ่ากีิเลสไม่ได้เพื่อฆ่าคนนั้นคนนี้ไม่ได้ฆ่าตัวเราฆ่ากีากิเลสคือความคามึกขนองว่าหลงกับชีวิตความหลงไหลกับลาภยะนั้นสุขอะไรทั้งนั้นที่เราต้องการจะฆ่าด้วยความตาย พอไมคกดถึงความตายมันก็ขดแ้จะไปหาราบแล้วสมรสนั้นสุดท้ายตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่ถ้าไ่คิดจนกระทั่งว่เดี๋ยวคนที่ก็ตายคนที่ก็ตายก็ไม่ได้อยู่กันทาไมเดี๋ยวก็เอาให้ทั้งครอบครัวตายกันไปพร้อมๆกันเลยไม่ดีจะได้ไม่ต้องมาอันนี้ก็เป็นการคิดที่ผิดนะ ถ้ามันจะตายให้มันตายโดยธรรมชาติมันเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําให้มันตายเราจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเจ้าค่ะแล้วก็มันมันเป็นทั้งสมถะแลบวิปัสสนาใช่ไหมเจ้าค่ะพันจือใช่ถ้ามันเป็นวิปัสสนาแล้วมันจะมักจะเป็นสมถะด้วยท่าใจถ้ามันใจมันยอมรับปเด็นความจริงมันก็จะมันก็จะสงบตัวสงบด้วยปัญญาเจ้าค่ะ อือเจ้าขาพเจ้าก็วันเข้าใจค่ะเข้าใจเจ้าขาจวันนี้มีเท่านี้เจ้าค่ะ <Okay. S 2> ขอบพคุณเจ้าค่ะถ้ า, าเราคืดขนเราเราโอยอยากจะทำนูน่นทำนี่อยากมีโครงการนั้นะโครงการานี้ใครนึกงภตายมามันจะได้หายคืนขนมจะทำไมไ้ไหมลืมกิจกรรมเยอะเจ้าข้าพาจา้าลืมไปเยอะ ตายไปก็จบกิจกรรมเานี้มันมีประโยชน์อะไรกับใจเราไม่มีไม่เหมือนสติไม่เหมือนปัญญาไม่เหมือนสมาธิมันทําใจให้เราสงบทําใจให้เราเย็นทําใจให้เราปล่อดวา่างใช่ค่ะแล้วก็ในชีวินี้คือเราควรจะ ท, ทําทีละอย่างด้วยใช่มจังหวัดพระจานทร์อ๋อใช่พยายามทําทีอย่างไปคาดฝึกสติไปในตัวใช่ค่ะอย่าทําไปแล้วคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วย อย่างนี้ไม่ได้น้องแค่อยู่กับเรื่องเดียวเดินก็อยู่กับการเดินอย่างเดียวเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เรีนนั่งนอนให้อยู่กับไอเดียบท อ, อย่างเดียวนะอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นคนเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เจ้าค่ะเาค่ะน้องับไปปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจอารย์พูดเจาค่ะอาจารย์ี่คนนั้นคุณบอกวาสนาต่อ มันการกวนเลยนะการกวนในกุฏิอ่ะอ๋อเออยู่ข้างนอกนอกกุฏิอ่ะระอาจารย์พรอค่ะเตรียมมาพระอาจารย์แล้วก็เอา เ, เ, เอาเสื้อผ้ามีแค่สามชุดนะคะพระอาจารย์เออเอาเสื้อผ้ามันแค่สามชุดค่ะสบายไหมสบายเลยสบายมากพระอาจารย์กระเป๋าเล็กเลยแล้วก็ข้าวก็มาซื้อแถวนี้คือแบบว่าถ้ามีก็กินไม่มีก็ไม่กินลองออดูใหม่ค่ะพระอาจารย์รู้สึกดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ มาแล้วก็ได้ทําแบบอิ่มอิ่อใจแบบทําได้ทั้งวันพระอาจารย์ค่ะก็ <c oughs> พระอาจารย์เขาก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์อาทิตย์ที่หาที่ฟังพระอาจารย์ก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์ น, นิดนึงเพื่อความมั่นใจว่าฟังถูกหรือเปล่าคือพระอาจารย์บอกว่าออถ้าเราสักษาแต่ว่ารู้เนี่ยก็คือให้ให้ผู้รู้อ่ะให้ผู้รู้เป็นผู้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในความเข้าใจก็คือก็ถ้าผู้รู้เป็นผู้ดูว่าสักษาแต่ว่ารู้ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราเห็นอะไรหรือว่าถ้ามันจะมีอะไที่มากระทบทำให้ความสุขใน ที่มันได้จากตรงในสมาธิเนี่ยมันมันจะหายไปเนี่ยอันนั้นคือกิเลสให้เราใช้สมาธิที่จัดการมันใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนี้ฉุนต้องไหมคะที่จะสักแต่ว่ารู้นี่คือใช้จัดการกิเลสถูกไหมคะอ๋อถ้าถ้ามันเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะกไปดื่มน้ําซ่อมเหี่ยวเฉยอะไรรู้สึกมันเปรี้ยวปากเยนี้เดี๋ยวมันจะมีความสุนนี้ก็ต้องตัดมันออกถ้าต้องการดื่มน้ําให้น้ำกายก็ดื่มน้ำเปล่า ถ้าไปดืมน้าที่มีรสชาติมันกจะติดนะติดน้ำในเวลาไม่มีเดือมมันก็จะทุกค่ะก็คือแสดงว่าถ้าอะไรกได้เนายแล้วายแล้วถ้าอยากเสจรูปเสียงกินรสในรูปแบบใดรูปแบบไหนก็อยาไปเส่มัน อย่างนี้ก็คือว่าเราก็รู้ว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะมีถ้าเกิดมันจะมีขึ้นมาเราก็คิดว่าถ้าสมัยก่อนก็อยากได้ต้องได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นอยากได้ต้องไม่ได้ถูกไหมคะพระอาจารย์ถ้ามันเป็นกิเลสก็คือเราต้องฝืนตัดตัดตัดไปก็พักหนึ่งมันก็จะหายไปอย่างนี้เราต้องไม่อยากเลยไม่ไม่ต้องอยากเดี๋ยวไม่อยากแล้ว่าจะถามไว้เผื่อก่อนปันนี้ยังไม่อยากอยากแล้มันทุกอยากแล้วมันทุกเดี๋ยวมันต้องไปเจอความทุกข์มันจะพาเราไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของชั่วคราว อาจารย์อีกคําถามหนึ่งค่ะอาจารย์ก็คือตอนวันเนี้ยคราวเนี้ยมานี้ยก็คือต้องการจะดูเรื่องสัพเพมานาตาเรื่องของผู้รู้อะค่ะพระอาจารย์มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับธรรมชาติให้เราให้เราดูไปคือให้เราเราจะเดินกลางคืนกับกลางวันกลางวันกัางคืนด้วยเนี่ยให้เราดูว่าถ้าเราเข้าใจว่าผู้รู้เป็นธรรมชาติมันก็จะทําให้มันทําให้มันมันความหลงมันมันน้อยลงไปเรื่อยใช่ไหมพระอาจารย์ไม่ใช่หรอไม่เราไปดูผู้รู้เราดูสิ่งที่เรานั้นดูสิ่งที่เรารู้ สิ่ง<ต><อ>ที่เรารู้<อ> ร, ร่ากายวิทยา<อ>สิ่งต่างๆมันเป็นอะไนตา่างๆมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบงังคับให้สั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้สั่งได้บางครัง้งบางเวลาแต่ในที่สุดมันก็จะสั่งไม่ได้หรือดินฟ้าอากาศเนี่ยสั่งมันไม่ได้ให้ดูอย่างนี้<อ>ไม่ต้องมาดูตัวรู้หรอกตัวรู้ไม่เป็นปัญหา ตัวรู้มันหลงรรมาิจสตัวรู้ไม่ให้มนปห ล, ปหลกับสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวตอนเป็นนั่นเป็นนี่มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมันเด็กฝ้าค่ะพระอาจารย์ก็ เ, เดี๋ยวทําต่อพระอาจารย์ค่ะเาก็เรื่องเข้าใจฟังฟงไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็ทําแล้วก็ฟังโอเคนะขอบพระคุณค่ะอคุณแนนจากคุณดอ แกไม่มีคําถามเลยาคา่ะกล่านามาสการค่ะไม่มีคําถามคา่ะแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติเลยปฏิบัติมีคะ่ะวันนี้เพิ่งสอบตกเลยอ่ะโดนกิเลสชนะไปนิดนึงค่ะก็เลยเหือนที่ท่านอาจารย์ศิชาสอนว่าให้มารีเซ็ตใหม่ก็กําลังรีเซ็ตเริ่มใหม่ค่ะอเอามาเป็นบทนี้ก็สอบตกข้อไหนก็ต้องพยายามเอามาสอนใจอ่าค่ะ อย่าอย่าตกทั้งที่สาวอย่าตกทั้งซ่าค่ะสาธุ <Okay. S 2> ค่ะน้อมนไปปฏิบัติค่ะชคุณเอกค่ะเชร า, ายารรมมกการพระอาจารย์ครับวันนี้เข้ามาร่วมแล้วฟังเช่นเคยครับผมเช่อเช่นเคยมัพรครับผมเช่นเคยครับพระอาจารย์เพราะว่าทาให้มันเข้าสมาธิได้ง่าย ง่ายขึ้นครับอาจารย์เวลานั่งฟังทำคือมันมันเข้าได้ง่ายครับอาจารย์คือมันมันเบาเลยนะเหมือนไม่มีร่างกายคือเบาฟังเสียงธรรมะเป็นกล่อมใจไปครับอาจารย์มันเข้าง่ายกว่าครับอาจารย์มีใครคิดนะว่าจะเลิกปฏิบัติได้ไม่ไม่ไม่กล้าเป็นก่อนก่อนคือก่อนจะเริ่มปฏิบัติมันคือมันจะลำบากตอนเริ่มต้นครับอาจารย์ก็อยากจะเลิกแต่ว่าแต่คิดไปคิดมา มัก็ไม่ถึงกับแย่ครับอาจารย์ก็ปฏิบัติได้ครับเพราะว่าปกติอะผม่าจะตื่นตีสามสี่สิบห้แล้วไงครับอาจารย์ก็จะมีถ้าปฏิบัติไปมีช่วงที่มันง่วงก็ประมาณสักตีหนึ่งตีสองเงี้ยมันมันจะจะง่วงมากครับอาจารย์แต่ก็ทํำมาถึงช่วงที่เราตื่นเป็นประจํามันก็จะตื่นนะครับะอาจารย์ก็ก็อยู่ได้ครับก็ก็จะมีแบบว่าไม่เคยคิดไปไม่เคยท้อไม่เคยอยากจะเลิกปฏิบัติอะไรเงี้ย ก็ก็มีอยู่บ้างนะแตด้วยมากแต่ถ้ามาห่วนคิดดูแล้วก็บางทีมันมันจะไปคิดอะไรมันจะเราเกิดตายมากี่พบกี่ชาติแล้วจะตายอีกไหมอย่างเงี้ยมันมันมันถูกขึ้นมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ครับก็เลยว่าเออต้องทำบายสอนใจว่าไม่จะไปทําอะไรไม่มีอะไรมันจะดีกว่าการปฏิบัตินะใช่ไหมเอาทำาังไมันไม่ไปตัดพบตัดชาติแต่เพิ่มพบเพิ่มพบชาติให้มากขึ้น ครับผมใช่ครับอาจารย์ครับก็คือมันมันจะฝูดขึ้นมาในใจตลอดนะครับเหมือน<ม>ตื่นแบบบางคืนก็นั่งแล้วมันดึกไปแล้วตื่นมาตอนเช้าเงี้ยมันไม่อยากตื่นแล้วก็มันจะสกิปใจตัวเองขึ้นมาอยู่ตลอดนะครอาจารย์ว่าเฮ้ยพรต้องตื่นนะมันนอนนอนมากี่พบกี่ชาติแล้วจะนอนไปอีกเท่าไหร่เงี้ยพระอาจารย์อย่างเหมืนฝูดต้องมีวิบายแก้มันนะแก้ความเจลียดแค้นก็ปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ครับอ่าก็ดีอยู่ครับคม อาจารย์ครับผมครับผมเรบฟังครับกับผมพระอาจารย์ที่ให้คาแนะนําครับอาจารย์มีเพิ่มเติมอีกไหมครับก็เนี่ยทำความเพลินให้มันสม่ำเสมออย่าให้มันหย่อนยานครับผมครับผมอย่าให้มากขึ้นอ่าอย่าทําให้น้อยลงครับผมครับผมถ้าไม่ได้มากขึ้นแต่น้อยก็ยให้มันคงที่ไว้อย่าใมันหย่อนยานอย่าให้มันถอยหลังอย่าให้มันถดถอยครับผม <S <S ครับ <S <S ขอปฏิบัติครับพระอาจารย์ครับขอ <Okay. S 2> บคุณ <ดา S 2> พระอาจารย์<ด>นะครับขอให้ท่านขันพระอาจารย์แข็งแรงนะครับลาถไม่ชีนนะแม่เมื่อก่อนะเป็นหมอหน้าว อ, อ๋อไม่มีคำถามค่ะพระาอาจารย์ผลเสพตานาจากบอกเวนีนก่าวละมาสักการพระอาจารย์แล้วค่ะ วันนี้ช่วงช่วงบ่ายสองได้ฟังธรรมะพระอาจารย์ตอนช่วงถามตอบนิยมมีโยมก็ถามพระอาจารย์แล้วก็เอเขาก็เขาก็ตอบพระอาจารย์ว่าเขาไม่มีความรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทีนี้พระอาจารย์ก็บอกนั่นแหละมันเป็นเพราะว่าเราไม่มีความอยากในขณะที่ฟังโยมก็มีการพิจารณาตามเข้ามาหาตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงณตอนนั้นก็มีมีมองมองเห็นว่า ใจเราเนี่ยตอนเนี้ยมันมีความว่าไม่อยากมากขึ้นนะคะอาจารย์แล้วก็จะเห็นว่าเมื่อเราไม่มีความไม่อยากมีความไม่อยากในในสิ่ง น, นั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะคะอาจารย์ใช่ก็จะเข้าใจเย็นๆก็จะเป็นอย<า><า>ัยงไ<า>งกันเนี่ยของเ ข, ง ข, งขงาเม่เจ้าค่ะมันก็มีความสุขว่ามัน มันเฉยๆกับกับสิ่งนั้นไม่คนอื่นจะคิดยังไงอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของเขาแต่แต่ตัวเราเนี่ยเราเราไม่มีความ ร, รู้สึกกับอันนั้นเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เอาสบายจะ<ร><ช>ไม่เดือดรอ้อนเ่อค่ะพระอาจารย์จักค่ะใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยเข้าใจที่พระอาจารย์สอนนะว่าถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้เป็นทาถ้าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไป็นย่าง้เราก็จะทุกข์เป็นบันทันทีค่ะ ก, ก็เริ่มเริ่มเข้าใจมากขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์<ม>ตอนนี้ก็เรียนเรียนเรื่องสติกับสมาธิเจ้าค่ะอาจารย์ทำได้บากมาแล้วจะได้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะเจ้าค่ะก็เข้า ม, มาตามอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะสะาธุอาจารยคุณยินเดีถึงอเมริกาแล้วใช่ไหมค่ะท่านอาจารย์ก็ขอบคุณคุณเดวิดนะที่ทำบุญมา ขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ก็ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ไม่มีคําถามค่ะก็ชีวิตก็เป็นตามที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อคกาวก่อนนะคะที่ว่าเป็นบุฟเฟ่ไม่ใช่อารักตัะค่ะเออเป็นบุฟเฟ่ยินดีตามมีตามเกินว่าพระพระเปเมืองทบาทก็เป็นบุฟเฟ่ญ <c oughs> าติโยมใส่อะไรมาก็ก็กินตามที่ญาติโยมใส่มา <c oughs> ค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะคือเคยเค ย, เคยมีคนเล่าว่ามีพระวัน่ในเขากินเจแล้วเวลาเขาเดินไปตลาดเขาจะมีกระดาษเขียนเข้าความว่าวันนี้กินเจ ไ, <c oughs> นไม่พะอยู่อย่างนี้ไม่เอาราคาแล้วอย่างนี้ไม่ไม่บุฟเฟ่แล้วไม่มิดีตามไม่ตามเลยนะค่ะท่านอาจารย์ส่วนนี้ก็คือตามหน้าที่อะค่ะท่านอาจารย์ค่ะทําทให้ดีที่สุดก็แล้วกัน ค่ะเขอบคุาค่ะท่านอาจารย์คำสั่งสอนที่ท่านอาจารย์สอนมาทําให้เบาใจได้เยอะเลยค่ะแล้วก็มีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะท่านอาจารย์ยอมรับกับสภาพเนี่ยทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมควาไม่ได้ทุกอย่างค่ะเป็นสภาพก็เหมือนท่านอาจารย์บอกอะค่ะว่าก็แล้วแต่ว่าสภาวะก็คือเราควบคุมมันไม่ได้ก็ปล่อี่ค่ะตามภาระหน้าที่แล้วเมื่อวานใ้ ค่ะท่านอาจารย์เดวิดเขาก็เมื่อวานเขาก็บอกมาว่าเนี่ยเ อ, อเขาติดต่อมาทําบริษัทที่ขนย้ายค่ะเขาติดต่อมาแล้วก็บอกว่าเ อ, อพวกอาหารแล้วก็พวกอะไรที่เป็นของเหลวแบบขนย้ายไม่ได้หนูก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันก็แปลกทั้งๆที่เราอยู่ในประเทศเดียวกันแคน่ขํารัดเท่านั้นเองทําไมมันมีความที่จะมีกฎกติกาของแต่ละร้านไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่า ก็ตามตามก็ในในในสมองก็คือในปัญญาก็คิดคำพูดท่านอาจารย์มาค่ะก็คือตามสภ า, าวะรรมาค่ะธรรมชาติแ้แต่ธรรมชาติว่าเขาจะยังไงเราก็ตามหน้าที่ไปอย่าแล้วพอดีตรงกับคุณนันทวัฒน์ถามพอดีเลยค่ะก็คือบุฟเฟตกับอลากาศามันก็ต้องเป็นทท่านอาจารย์โอเคก็ อาจารย์นีท่านอาจารย์ก็ไม่ไม่มนี้อะไรค่ะก็ตามคทำต่อไปรักษาใจให้เราเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้ีกยนะค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ค่ะโอเคค่ะคุณพงศ์มันอาจารวิธีภาษา้การวิธีภาษาสมัครของพระอาจารย์น้องกดมาทําบุญได้โออครับอาจารย์ครับผม ครับอาจารย์ครับวันนี้บุรีตอนนี้ผมขับรถจากกรุงเทพมาอยู่อบนราชธานีครับอาจารย์ฝนตกหนักมากเลยครับเห็นดีดูข่าวพายุเข้าครับอาจารย์เข้าตอนเย็นนี้ได้ข่าวครับผมที่นี้พอผมมาอยู่กับทีมงานจิตอาสารหลายท่านนะครับเอ่อจากเดิมที่ผมพยายามเพียรพยายามในการที่จะอดอาหารนะครับก็เลยรู้สึกว่าผมอาจจะต้องทานข้าวครบสามมื้อเหมือนพวกเขาครับเพราะผมมีความรู้สึก เออรู้สึกว่าเหมือนเราถ้าเราตรึงอยู่คนเดียวเขาอาจจะรู้สึกเอ่อคเครียดกันแบบนี้ผมผมวางใจถูกไหมครับอาจารย์เพราะว่าเขาเหมือนเราไปกินร้านร้านข้าวด้วยกันแล้วทุกคนสั่งมคนเลยแต่คือผมไม่กินคนเดียวะครับก็ <c oughs> ถูกคนระับแต่เดีวถ้าเราไม่กินแล้วขอตัวมันอย่าไปเข้าไปในร้านอาหารไปคนบประทนไปอ๋อครับอาจารย์ครับทีบ่นี้วันนี้ผมก็ได้ไปนั่งสมาธิที่ทอ่า วัดป่า น, านาชาติครับพระอาจารย์ครับก็ mm. ไปนั่งสมาธิครับพระอาจารย์ที่นี้ผมจําที่พระอาจารย์เคยได้คุยที่ผมสอบถามว่าในการเจริญเมตตาและอุเบกขาครับในส่วนของอุเบกขาถ้าเราอยากจะได้สุนิมาเราจะต้องปฏิบัติให้ถึงฌานสี่ใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่ mm. ทีนี้ผมเลยอยากสอบถามว่าอุเบกขาในชีวิตประจําวันนะครับอย่างเช่นว่าอย่างเรื่องบางเรื่องที่ว่า จิตที่ผมป่อยวางนั่นเองแบบโอเคผมเข้าใจอะไรเงี้ยมันต่างยังไงกับอุเบกขาในชา้นสี่กับพระอาจารย์ไม่ต่างกันหรอกอุเบกขาเราก็มีอยู่บ้างแต่ไม่ไม่มากกับเ ร, เรื่องยากๆยากๆกับเรื่องง่ายๆก็ปล่อยได้แต่ก็เจ อ, เ ร, อเรื่องยากปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่าอุเบกขาน้อยไปไม่พอสําหรับถ้า้อสอบข้อดีครับพระอาจารย์ครับทีนี้ผมก็เลยจะตั้งเป้าหมายเลยครับว่าผมชีวิตผมจะต้อง พยายามฝึกให้ได้ถึงชา้นสี่ครับอาจารย์ทีนี้ทุกครั้งเวลาผมนั่งสมาธิครับเออที่ผ่านมาคือผมผมก็ไม่ได้มีเป้าหมายครับว่าผมจะต้องนั่งให้ถึงชานสี่เพราะผมไม่ทราบว่าอารมณ์ในชานสี่มันเป็นยังไงครับเพราะว่าผมก็เไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นยังไงขอให้เรามีสติอยู่กับการบริการภาวนาของเราท่านหนึ่งครับอาจารย์อย่าไปอย่าไปกําหนดผลว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ใช่หน้าที่ขรงเรา อาจารย์เวลาทําสมาธิก็ให้ดูลงไปแล้วพุทธออไปอย่างนีวครับเพราะว่าอย่างทุกครั้งเวลาผมนั่งครับแล้วทุกครั้งที่ผมออกมาจากสมาธิผมก็จะได้รับความสุขครับแล้วก็สงบแล้วรู้สึกว่าทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาอะไรเราก็จะใช้ปัญญาจากการมันได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับอาจารย์ผมก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าต้องเป็นฌานสี่อันนั้นก็อันั้นก็เป็นอุเบกขาไในระดับหนึ่งครับอาจารย์ครับ ท่าาจารครั บ, ก, รบก็วันนี้ก็จะมีคําถามประมาณนี้ครับนอาจารย์โอเคครับครับต่อไปครับคือบางทีเราก็ต้องเรื่องระงสังคมครับเรื่องของการปิดวเว่ยครับถ้าเราต้องการความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจเราก็ต้องปริเวเว่ครับถ้าเราต้องการที่จะทําเป็นจิตอาสาเราก็จะไม่ได้ปริเวเว่ครับนอาจารย์ครับข้านอาจนะครับครับ เราไปปฏิบัติครับอาจารย์นี่บุญบุญบุญขึ้ระดับกันถ้าเราเอาระดับต่ําแล้วก็ไประดับสูงไม่ได้ถ้าเราอยากไประดับสูงแล้วก็ต้องไปบนระดับต่ำครับอาจารย์ครับขอบคุณครับวันนี้วันนี้ก็ทำมาครับพระมรดการผู้หลวงพ่อก็พยายามฟังทำแล้วก็รู้สึกเออฟังทำแล้ว ดีขึ้นเมื่อวันก่อนนะครับหลวงพ่อสุดทำวัดป่าบ้านตากมาทําบุญที่มอกษตรแถวบ้านก็เลยไปกราบท่านหลวงพ่อเคยอยู่กับท่านไหมครับครเคยทำรังชาอยู่ที่วัดป่าบ้านตากด้วยกอ๋อแล้วผมบอกว่าปกติผมฟังทำคล้ายๆถึงชาบอยท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเป็นวัดป่าบ้านตักเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนก็เลยไม่รู้เหมือนเคยอยู่รอสอบเดี๋ยวยปันก็อยากสอบถามว่าความเป็นพ่อเป็นแม่มันอยู่ที่จิตใจหรือว่าเรื่อดในเชื้อไขอย่างเดียวครับหลวง ก็มันมันมีทั้งสองส่วนน่ะเรื่องเนื้อเชื้อไข่เพราะเราเป็นเหมือนกับเป็นเป็นผู้ที่เขาผลิตเราเนะ็นออกมาใช่ไหมครับล<อ>ัอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเนื้อเชื้อไขมีความเกี่ยวข้องกันแล้วความเกี่ยวข้องนี้มันก็ทำให้เกิดในความผูกพันทางด้านจิตใจว่าเขาสร้างเรามาแล้วเขาก็เลี้ยงเรามาความปัจจันอยู่ก็ต้องเกิดขึ้นในกับเขา อํานรักเขาความเคารพเขาก็ต้องไห่ขึ้นเพราะเขาเป็นผู้มีความคุณกับเราเข้าใจไหมเข้าใจครับเพราแบบนั้นเข้าใจแต่ว่าเวลาอันเแบบขาบางทีอาจจะเป็นของต่างชาตินะครับพ่อนี้กินเหล้าเมายาถึงจะแบบทําร้ายครอบครัวสุดท้ายแม่ฆ่าพ่อเพื่อปกป้องชีวิตลูกไว้โอ้โหมันมันแบบอะไรแบบเฮ้นนยหรื อ, นนอ ม, มันก็ไม่ถูกกนะารแก้ปัญหาด้วยการฆ่ากันนี่ผิดแน่นอนต้องไปฆ่ากิเลส แม่เขาโกรธครานี้แม่ต้องฆ่าความโกรธนย่าไปฆ่าอยไปฆ่าพ่อครับต้องฆ่ากิเลสครับ้ไปฆ่านี้มันก็ทำให้กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเป็นบาปครรขึ้นมาเป็นเมญกรัมขึ้นมาเพ่านประเทศเขาเนี่ยมันเจริญทาวัตถุเลยแต่ทางน่านศีลธรรมเขาไม่ไม bueno ่มีกันไม่มีศาสนากัน เอาเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเขาก็เลยห้ามอารมณ์เขไม่ได้ก็มีคดีได้ข่าวลูกฆ่าแม่เขาเองเนี่ยแต่ถ้าท่านมีศีลธรรมจะถูกสอนไดอะไรๆมาทําไม่ได้พ่อแม่มีพระคุณกับเราว่าแม้ท่านอยากโหดท่านลงเราขนาดไหนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายท่านเับต้อาทิตย์ที่ผ่านมาในบททดสอบอย่างนี้เกี่ยวกับตัวเองคือ ทำงานบ้านแล้วทําให้แม่เออทําไม่ถูกใจแม่แล้ววันต่อมาผมก็ชวนแม่ไปทำบุญไหมก็ไปทำบุญกับหลวงพ่อสุธรรมไหมแม่บอกว่าไม่อยากไปทําบุญเห็นลูกศึกษาธรรมะมาอย่างนี้แต่ดูลูกไม่เป็นคนที่ดีขึ้นเลยทําให้แม่เสืส่อมศรัทธานในศาสนาผมได้ยินคํานี้ไปโอ้เจ๊กเลยคือแบบเฮ้ยก็ว่าลูกก็ว่าลูกติดไม่ต้องมาพูดว่าศาสนาผิดไม่ดีมันเป็นความผิดของลูกเองที่ไม่สามารถปฏิทําตัวปฏิบัติ ถ, ถูกใจแม่ก็เลยแบบโอ้สะเทือนใจก็อย่างเนี้ครับหลวงพ่อ แต่อันก็แต่พอแม่หายโมโหแม่ก็เป็นปกติแล้วครับตอนนั้นเขาหงุดหงิดก็เราไม่มีอุเบกขาล้วก็ต้องเฉยเฉยอะไรว่อะไรก็ต้องเฉยครับก็เลยงงแม่ทําไมต้องว่าศาตนาด้วยก็ห้ามเกาไม่ได้เพราเป็นธรรมชาติหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าครับก็รู้วันนี้ก็เป็นหนึ่งที่อีสุดท้ายครับก็รู้สึกว่า ถ้าก่อนท้า น, นี้ไม่ได้ศึกษาศาสนามาก็าจะดูว่าพระเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะว่าไม่ทํางานกินอาหารชาวบ้านแต่พอมาศึกษาปั๊บรู้สึกว่าเออถ้าพระอยากกินข้าวนั่งกินสบายๆก็ได้แต่ต้องบินทบาทเดินหลายกิโลไม่ก็เวลาแบบคนประเทนอาหารต้องรอแบบเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ฉันต้องอดทนแม่อาหารอยู่ดังหน้าก็ต้องสํารวมไว้ยังฉันไม่ได้ต้องรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยถึงจะฉันได้ผก็เลยเห็นความเสียสลัก ่ส่งซึ่งมุมมองนี้ถ้าคนมันไม่ได้ม่ได้อยู่ใกล้ก็จะไม่มีทางเห็นใน ม, ม, มุมมองเสรีสลัดนี้เลยครับหลวงออ่าเนี่แล้วอ่าแล้วอย่าไปแล้วอยากไปพิจารณาอย่าไปว่าคนอื่นเขาเราบางทีมองไม่รึกซึ่งมองไม่กว้างพอมองเห็นเพียงแต่ด้านเดียวก็ก็ไม่มีถ้าอยากจะถ้าอยากจะว่าใครว่าตัวเราเองมาแล้วมีเรามีส่วนไหนที่ไม่ดีบ้างไหม ที่ว่าอด้แก้ไขายตัวเราหรือเปล่าอย่าไปแ ก, ก้คนะนอื่นนะเพราะเดี๋ยตถอาไปแก้ให้เขาไม่ได้เขาต้องแก้เขาเองโอเค okay, นะขอบพระคุณหลวงพ่อมากคุณพงพันอยู่ที่ไหนเลืมลืออะรครับกราบนรมาสกา ร, ร, ะะการพระอาจารย์ครับอยู่ที่จงังหวัดขอนแก่นครับอ่ามีอะไรไหมวันนี้อวันนี้เออ่ไม่ไม่มีอะไรครับเข้ามาร่วมฟังธรรมแล้วก็ ก็ส่วนใหญ่ก็ร่วมฟังธรรมครับที่เหลือที่ผ่านมาก็ปฏิบัติตามตามคำแนะนำของพระอาจารย์มาเรื่อยๆครับ<ม>ก็ยังไม่ไม่มีข้อสงสัยใดๆครับพยายามทำใจให้ชใช้ปล่อยวางทั้งหมนะเป้าหมายครับเป็นเป็นจุดแรกเลยครับก็คือ<ม>พยายามพยายามเจริญสติให้มันได้ทุกขณะตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนครับ<ม>ก็ก็เอาเป็นเป้าหมายที่อยากทำให้ได้ก่อนครับ นะการปฏิบัติที่มันไม่ต้องเรียนรู้มากให้ดูแค่เรื่สติคําเดียวนะใช้เวลาเปนปีแล้วเพราะว่าที่กราบเรียนพระอาจารย์ไปเมื่อเมื่อครั้งก่อนๆ น, นคะครับว่าเ อ, อปฏิบัติตามคำแนะนําของพระอาจารย์เรื่องเรื่องเจริญสติมากๆซึ่งปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจังมากกว่าแต่ก่อนมากๆแล้วทีนี้พอนั่งสมาธิครับมันทําให้เราเจอสภาวะจิตเป็นอุเบกขาเ อ, อมากขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้น ทีนี้ก<ช>็ผมก็เลยก็เลยคิดว่าสติมันมันสําคัญมากๆก็เลยอยากจ ะ, จะเจริญให้มันชํานาญเสียก่อนอพระเจ้าบอกสติเป็นทำไม่สําคัญที่สุดรอยเท้าชา้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดรอยเท้าชาญนี่ครอบรอยเท้าของศัตว์ทุกชนิดในปน่าได้ครับก็วันนี้ก็ไม่มีคําถามอะไรครับมาร่วมฟังธรรมครับอาจารย์ พยายามทราบสเต็กให้มาให้มันได้เต็มร้อยนะทุกอยากจะตามมาเองนะครับขอ บ, บพระ okay. คุณครับอาจารย์คุณปาละลายศีราชาจากนวัตกรรเจ้าค่ะวันนี้จะมาแจ้งกับเพียนแจ้งพรตาญยวเรื่องยอมหยุดเย็นนะเจ้าคะ่ะที่ทํางานที่เมื่อก่อนหน้าเนี่ยคะ่ะที่หนูจะมีความเครียดเรื่องการทํางานกับเพื่อนร่วมงา น, น่ะคะ่ะตอนแนกมันเคลียร์แล้วก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ วันนี้ก็คือคุยคุยกันในเรื่องทั่วไปได้ดีค่ะแล้วก็น้องๆในออฟฟิศก็เอาไปใช้ตามค่ะอ่าที น, นี้ก็นะใช้สนอะใช่ค่ะแต่ว่าใช้เวลานานมากเลยนะคะตอนที่เรียนกับพระจันทร์ใหม่ช่วงประมาณสองปีแล้วทำมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งช่วงประมาณเดือนงาค่ะมันสำเร็จค่ะทำงานแล้วก็มีความสุขเจ้าค่ะอยากาศกันกกนดีกว่าชอบขาดกันเรื่อย หนูบอกเลยจริงคือกัดกันเลยค่ะเป็นชนิดแบบกัดกันเลยจนกระทั่งน้องๆก็มาเห็นว่าหนูยอมเขาบอกว่าไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรก็ทำทันเข้าไปจนน้องๆบอกเออพี่ทําแบบนี้ก็สบายใจดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ทีนี้ก็เรื่องงานก็เคลียร์แล้วค่ะเหลือเหลือเรื่องปฏิบัติทําให้ให้ให้เรามีอุเบกขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะอ่าเมตตาให้มากสมาธิให้มากค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ ฮะทุกคุณตายเป็นยังไงบ้างน้อมกลับน้ัมศการค่ะพ่อจันค่ะก็กำลังจะมากลับเรียนพ่อจารว่าเมื่อวานหนูเดินทางไปกรุงเทพมาแล้วตอนขากลับบ้านตอนเย็นนะคะก็ทางข้างหน้าเนี่ยตอนที่จะเลี้ยวขึ้นทางบางละมงบ้านเรานะคะเขาเห็นจะมีรถเหมือน จะเป็นรดตำรวจหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะพอดีตาหนูไม่ค่อยดีหนูก็มองเห็นเป็นสีสีเอ๊ะเขาทำอะไรกันก็ปรากฏ ว, ว่าหนูจะกําลังจะขับรถผ่านว่าทางเนี้ยนไปได้ไหมเพราะว่าทางถ้าตรงไปนะหนูมองไม่เห็นรดว่ามีรดวิ่งวิ่งนําหน้าเนี่ยไม่มีเลยพ่อาจารย์เสร็จแล้วหนูก็ลดกระจกลงใกล้ถึงเขาว่าหนูลดกระจกลงพอกําลังจะช่างโงกหน้าไปถามว่าทางนี้เขาให้ไปไหมก็ปรากฏ ว, ว่ามันเป็นอุบัติเหตุนนะคะ่ะพ่อาจารย์ เขาฮิวเขากำลังฮิวผลาหลางของคนที่ประสบอุบัติเหตุนะคะขึ้นรถตอนนั้นใจหนูก็แวบเพราะว่ามันอยู่ใกล้กระจกหนูมากเลยแล้วก็พี่เขากำลังจะนำล่างขึ้นรถพอดีหนูก็ตกใจแต่ก็ดึงสตกิกลับมาได้ค่ะก็เลยบอกกับตัวเองว่าอุย้ยอย่า ก, กลัวเพราะว่าตกปกกับติวเอ่สะดุ้งนะคะพระอาจารย์แลหนูก็บอกกับตัวเองว่านี่ไงมัน มันอะไรมันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่ไม่แน่นอนเสมอไปแค่จะกลับบ้านแค่นี้ก็ไม่ถึงบ้านหนูก็บอกกับตัวเองว่าต้องต้องเร่งต้องเร่งแล้วอะไรอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ออันนี้คือคหนูมีสติใช่ไหมคะใช่มีมานานมีสติเห็นความตายธรรมดาถ้าไม่เห็นของจริงมันยังมันไม่สะเทือนใจใช่ค่ะ<อ>พระอาจาจรย์มันจะเถือนใจแล้วมันจะฝังใจด้วยภาพนี้มันจะอยู่ในใจเราตลอดเวลา ค่ะอันนี้ก็ถือว่า<ม>สติหนูมีมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าหนูมไม่ได้ตื่นเต้น<ม>ตกใจมากมีทั้งสติมีทั้งปัญ ญ, ญาด้วยถ้าเราไม่ตื่นเต้นตกใจเรายังรักษาใจเราเป็นปกติได้ก็ถือแล้วเราก็ามีสติในระดับหนึ่งไม่ถึงกับเป็นลมไปบางนเห็นคนตายเป็นลมไปพักเลยอาเจียนเนื้ออะไรค่ะจเจรื่องหดห่างทีเองของการเล่าหดหูไม่มีการจิตกระใจจะทําอะไร ค่ะแล้วหนูก็มาสอนน้องข้างๆที่นั่งไปกันหนูบอกว่าให้นี่เห็นไหมเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่หมั่นทําความดีหรือว่าไม่หมั่น<อ>ทําบุญเราก็ยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะมีลม<อ>หายใจได้มาทําบุญหรือว่าได้ทําอะไรหรือเปล่า<อ>หนูก็สอนน้องข้างๆไปเร่อยบอกว่าไม่ต้องค่ะ<อ> <ขา S 2> แต่<ะ>ประมาความตายเร<อ>าต้ององปันญายิ่งกน่าน้อมเข้ามาว่ามันมันก็จะเกิดขึ้นกับเราวันใดวันหนึ่ง ค่ะตอนแรกหนูกั บ, กบทุกคนกับทุกคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกต้องไปกันหมดคิดได้เลยที่เราจะได้โล่งใจหายห่ว ง, า ข, ง, ข, งขายกังวลอยู่างนั้นทีใช่ไหมค่ะตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูจะไม่มีสตินะคะเพราะว่ามันใกล้กระจกหนูมากเลยเพราะว่นูกำลังจะชะงักไปเขากำลังขึ้นมาพอดีแบบหนูก็ แล้วก็ไม่เป็นไรพี่เขากำลังจะขับบ้านเขากำลังหาพี่เขากลับบ้านแล้วก็สอนให้ตัวเองก็แสดงว่าที่ผ่านมาหนูพอจะมีสติก้าวหน้าขึ้นใช่ไหมคะสะธุดีใจครับอาจารย์เราไม่ร้องไห้ฟูไฟทำอะไรไม่ได้อาจารย์ปกติก็โอเคค่ะแล้วยังต้องขับไปส่งเพราะว่ามันมืดไงพระอาจารย์มัน ทุ่มกับสองทุ่มแนละต้องขับไปส่งน้องอีกคนนะ่ะที่บ้านที่บ้านเขาเลยมืดแล้วก็เปี่ยวตอนกลับมาก็อไม่กลัวไม่กลัวแล้วก็ไม่กลัวอันนั้นคือเรื่องปกติเรื่องปกติหนูก็สอนตัวเองตลอดทางส่งเขากลับแล้วหนูขับรถขับคนเดียวหนูก็สอนเอง อ, องย่ากลัวอย่ากลัวเอระโยชน์ของทําว่าเป็นอย่างนี้ค่ะหนูดีใจมากาไม่เป็นไรค่ะไม่กลัวดีใจ เพราะว่าปกติเรื่องแบบนี้หนูกลัวมากๆอันนี้ก็มีเรื่องแค่นี้ละคะพระอาจารย์โอเคปฏิบัติต่อไปนะอย่าประมาทอาย่าให้มากอันนี้เดี๋ยวเกิดเจอเกิดเจอข้อสอบข้อสอบหนักพันนี้เจอเรื่องของคนใกล้ตัวเรามันจะดูเรื่องมันอันนั้นยัยงคนห่างไกลจากตัวเราค่ะพระอาจารย์คเดี๋ยวไปเจอคนใกล้ตัวแล้วเจอตัวขอบตัวเราเองทําใจได้บ่าค่ะนะ สาธอาจาย์โอเคสาธล้วปดโเชียลโซ่คนอ่ยคนเคนเจแนคแเน่ญี่ปุนญี่ปุ่นไม่ได้ง่ายพระาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินแต่ไม่เห็นตัว เ, <อ><ม>เดี๋ยวนะคะไม่เปิดกล้องไม่เปิดไม่เป็นไรคู่นะ ค, คะพระอาจารย์หาป่มไมิจอค่ะ อยู่มือใช่นะข้างหน้ามือใชยมีสองปุ่มปุ่ปมไมโครโฟนกับปุ่มวิดีโอแสดงว่าเป็นแฮงค์หรือเปล่าคะอยู่แฮงค์แบบรูปภาพค้างค่ะตอนนี้ก็คือกล้องเปิดอยู่ค่ะใช่ค่ะมาแล้วเนี่ยมาแล้วที่พี่พามานะก่อนไปทําห้เป็นไรพูดได้กับพูดมีอะไรไหมค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ วันก่อนสอบตกค่ะเพราะว่าวันพระที่แล้วตั้งใจว่าจะทำเนสัจชิกที่บ้านค่ะแต่ว่าไปไปวัดมาแล้วก็ตื่ น, ต, นตื่นแต่เช้ามากก็เลยเหมือนร่างกายไม่พร้อมค่ะพระสันแต่ว่าจะจะเอาใหม่ค่ะโ ด, ย, ดยเสียสัจจะไหมดูยังไม่ได้ตั้งสัจจะตอนแรกว่าจะลองทำที่บ้านค่ะยังไม่แน่แน่ อากตั้งใจยังไม่แน่นะครับต่อไปต้องคิดให้ดีก่อนเอาใหม่ค่ะพระอาจารย์ค่ะดีนิยมปฏิบัติไปนะค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะอ่าค่ะค่ะน้ำโนน้ำโนจากกรุเทพนำมาสการครับพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามครับมาลงฟังธรรมคะ่ะ การเล่าก็าไม่เป็อเืิงใช่ยังพยายามฝึกอยู่ครับพระอาจย์ <c ười> <c ười> <c ười> แต่ความก้าวหน้าอาจจะยังไม่ค่อยดีค่ะไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟ <c ười> ังนะก็อาจารย์ครับ <c ười> <c ười> มันก็มีครับแต่ว่ามันคือเรื่องเพื่อนนะครับเขาขอให้ช่วยทํากันบ้านอะไรอย่างนี้ให้ก็ยังค่อยอยากท้าโอเคเราจะรักเพื่อนดีแล้วรักตัวเราดี รัก <l ug> ตัวเราดีกว่าครับรักตัวเราเราก็สามความดีไปครับอาจสิ่งนี้ไม่ดีคร <c oughs> ับอาจารย์แต่ถ้า <c oughs> เหมือนแบบต้องช่วยจริงๆก็จะพยายามเหมือนแบบแบบบอกเขาว่าต้องทําอะไรยังไงนะไม่ได้ทําให้เขาเลยอย่างเงี้ยถ้าถ้าช่วยเขาก็าทำให้เขาโม่ไปช่วยเขาทำไมไม่ได้ไปช่วยเขาไปทําร้ายเขาโดยถ้างอ้อม <c oughs> ไม่ก็ทําเองอย่างที่มันเนาน้ำโม้พูดถึงว่า บอกวิธีได้ว่าให้คิดอย่างไรทำอย่างไรแต่ให้เขาทาเององั้นต่อไปก็เรามาถามเราทุกครัง้งเปยเห็นสุภาสิทธิ์จีนเขาบอกว่าอย่าไปให้ปลาเขาให้สอนวิธีตกปลาให้เขาไปพอเขาจนวิธีตกปลาแล้วเขาจะได้ไม่ออกมาคอยขอปลาจากเราอย่างนี้ครับอาจารย์สอนสอนเขาวิธีทําการบ้านทำอย่างไงให้เขาทำไปอย่าไปทํอย่าให้เขาลอก เราไม่เกิดประโยชน์เขาเขาเขาได้คะแนนดีแต่เขาไม่ได้คำครับอาจารย์ได้ครับแต่จ ะ, จะกลับไปบอกเขาอันนี้ก็พยายามบอกเขาอยู่ว่ามันจะดีหรอถ้าเขาไม่ไม่ยินดีอยากจะเลื่นเขาไปเราก็ดีสบายไปจะได้ไม่เทามาอืมาเสียคนไปกับเขาได้ครับอาจารย์จะงมกลับไปปฏิบัติคนในโลกนี้มีตรวเยอะแยะไม่ต้องกลัวหรอก โคตรจะเจ้าห่อถ้าเราหาพบคนที่ดีเท่าเราหรือดีกว่าเราไม่ได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าครับอาจารย์ได้ครับพ่ควคนที่เขาไม่ดีเขาก็เลี้ยงเราให้ลงต่ำใช่ครับอาจารย์โอเคนะครับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะบอ่าคุณมาริกาิ์มาริกายู่ภาคใต้ใช่ไหมตันยง ม, มันเนี่ อัไนะพูดได้นะพูดไนะะทุกข์การน้ำตาจะาดไาดหน่อยดหน่อยได้ยินได้ยัง่าอาจารย์ไนได้ันก็ไม่ได้เข้ามาสองทันทีแล้ค่ะทานอาจารย์แต่ว่าก็ปฏิบัติอยู่นะคะเจ้าค้าก็แล้วก็ก็ได้เจอเจอปัญหาอะไรต่างๆก็สามารถมีสติของข้างการที่เจริญสติ ตลอดที่บอกผ้าจารย์นะคะว่าก็เลยนึกวเกิดจากความอยากที่เคยถามผ้าจานเมื่อเดือนประมาณสอเดือนที่แล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับความอยากพอตอนนี้พอพอได้ปฏิบัติแล้นั่งเจริญสติมาเรื่อยๆก็ก็จะรู้ทังทีเลยเหมือนกับวันนี้ได้รู้ทันพอรู้ทันก็อ๋อมันแค่นี้เองหรือมันมันได้แค่นี้เองหรือแบบแบบที่เราทุบแล้วพอพอเราเจอปั๊ก พอลูกเจอแล้วก็ลูกสลัดมันออกหลัดมันออกก็แล้วก็มีความสุขเหมือนพ่จ่ า, จายใช่ทุกพอะยึดยึดทุกพ อ, อยากพอตัดความยึดความอ ย, ยากได้ไมันก็หายทุ น, นแค่เรื่องเล็กๆ น, น้อยๆนะค่ะพ่จ่ า, จายแก็คือโน่นสร้างบ้านใหม่แล้วก็เขาเหมือนกับว่าเศษเหล็กเศษอะไรก็เก็บเก็บเก็บหรือว่า เ, เ, เออ แ, แล้วนั่นมันคืองินของเราเราก็เกิดความอยากขึ้นมาเอา้าเราอยากได้แล้วเราอยากได้ไปทําไม ไล้จากได้ทําไมถ้าให้เราทุกข์เป่าๆนั่นคือแค่เสศษเงินเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเราเราต้องเราต้องใช้จ่ายมากกว่านี้อีกคนเรานั้นบางทีความยากจน่ะบางทีเขาก็ยอมบางทีเขาเกิดจากความโลภโดยที่ว่าเจ้าของบ้านยืนแต่ปริดอยู่แล้วเขาก็ยังขนเสร็จเละเสร็จเหล็สร็จตะปูก็ยังเก็บพากลับบ้านเลไอ ย, อย่างนั้นนั่นก็คืออยากคิดอยาคิดอยากคิด มันไม่ดีเลยความอยากนี่แหละทําให้เราทุกข์แล้วก็เราเราจะวางไม่ได้พอวางไม่ ไ, มได้แล้วเราก็จเจริญสติแล้วก็เดินต่อไปไม่ได้พอเดินต่อไปไม่ได้ความทุกข์โลภนีอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปนะคะอาจารย์ค่ะอ่ะัสาธุจากวางเรืเ่อยๆนะอย่าไปยุ่งอะไรกับใครอย่าไปทุกข์อะไรกับใครไม่เกี่ยวกอยู่แล้ไง ออกเไปที่คุณวิไลคอนโยมิงหายหน้าไปเหมือนกันเหรหายหน้าไปหลายท่านนะกลับมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีไปทำธุระที่ต่างจังหวัดค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอดีหลบโควิดที่บ้านด้วยค่ะพอดีหลานหลานสองขวบค่ะใช่ค่ะเขาติดโควิดจากจากคุณพ่อเขา พอดีลูกสาวโยมาค่ะเขาไปคลอดคลอดน้องคลอดลูกที่โรงพยาบาล<ม>แล้วก็น้องมอสที่เป็นแฟนของลูกสาวค่ะเขาก็ไปไปเฝ้าพอเขาไปเฝ้าเหมือนกับว่าผู้ชายนะคะพระอาจารย์เขาก็ไม่ไม่ยอมอยู่ในห้องเท่าไหร่เขาก็ออกไปเดินทานข้าวทานเลยในโรงพยาบาล น, นะคะ<ม>แล้วพออีกอีกประมาณเขา ก, ก็ถ้าประมาณ3มวันก็กลับมาบ้านนะคะ<ม>ก็เลยแล้วเขาก็นอนกับหลานนะคะก็เลยกลายกลายเป็นติดติดลูกเขาแต่ว่าลูกสาวกับ หลานคนเล็กรอดค่ะตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยไปกับตัวที่ที่ชะอําพอดีค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะก็ฟังธรรมพระอาจารย์อยู่ค่ะแล้วก็ยังปฏิบัติอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วเช่วงสองอาทิตย์ขาดไปแต่ว่าแต่ว่ากลับมาก็ต่อปิดเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะกลับพระอาจารย์ค่ะคิดถึงพระอาจารย์นึกถึงและลึกถึงตลอดค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุค่ะคุณชานิสาชคุณชานิสา ไปไหว้ก่อนแล้คุณไหว้พระอาจอารย์หรือยี่ไหนอยู่อยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมโอเคมีการ อ, อ่าพูดได้ยินไหมค่ะได้ยินไหมคะได้ยินนะพูดได้เลยอยู่ที่ไหน ญี่ปุ่นค่ ะ, ะญี่ปุ่นอันนี้เอางูมาด้วยลนะนี่ยังไม่นอนค่ะอ๋อเดี๋ยวเขาแล้เนี่ยญี่ปุ่นมันั่งเท่าไหร่้เนี่ยเกือบ5ทุมทมท่มแล้วทุ่มแล้วค่ะทุ่มแล้วค่ะพอดีว่าเอ่อที่เคยถามพระอาจารย์นะคะว่าช่วงที่เราอย่างสมมติว่าเป็นพีเลียดเป็นเป็นประจำเดือนอะนะคะเรจาจะคอนโทนรลอารมณ์ ขึ้นลงได้ค่อนข้างยากแล้วพระอาจารย์เมตตาสอนว่าก็คือให้ปล่อยมันไปตามธรรมชาติให้รับรู้มันถูกอันนี้ถูกไหมคะแล้วทีนี้เราจะเราเราจะต้องทำใจยังไงหรือว่าเราจะต้องออวางใจยังไงอะคะบางครั้งอารมณ์มันสวิงมันก็ทำให้เราต้องปะทะกับคนอื่นบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจ ก็เราพยายามทำใจให้เรามีสติมากขึ้นพยายามท่องพุโทโธพุโธพยายามสวดนมนต์ไปอย่าปล่อยให้ใจมันไปมีปฏิกิริยากับอารมณ์ต่างๆหยุดหยุดปฏิกิริยาของใจอารมณ์มันเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปแต่อย่าไปตอบโตอ้อย่าไปมีอะไรกับมันคำที่ว่าอารมณ์มันจะเป็นยังไงแล้วปล่อยมันไปนี่หมายหมายถึงเรา อารมณ์บูดอารมณเลี้ยงอย่างถ้าเราหยุดนั้นไม่ได้ล้ว ก, ก, ก็เราก็อยากแล้วก็อยากไปแสดงอาการออกไปรก็แล้วกันให้ปล่อให้มันเก็บไว้ข้างในด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธเดเอไว้อ่าก็คือไม่เขาเขาไม่เรียกว่าข่มใช่ไหมคะเขาเรียกว่าใช้ให้รับรู้ใช้ให้รับรู้แล้วก็รู้ว่าไม่ดีอยาไปให้มันระบายออกไปพยายามหยุดหยุดหยุดใจเราใช่ค่ะ อย่าง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> คืออารมณ์มันก็เป็นอย่างหนึง่งแล้วการแสดงออกของเรานี่เป็นอีกอย่างหนึง่งการแสดงออกได้แต่เราหยุดอารมณ์ไม่ได้อ๋อภายในของเรามันจะขึ้นมันจะลงก็ให้มันอยู่ภายใ น, นแต่ว่าแสดงอย่าแสดงออกไปอย่าไปพูดไม่ดีอย่าไปทําอะไรไม่ดีอ๋อ ก็คือไม่กดอารมณ์ภายในแต่ภายนอกก็คือกดไว้ไม่ให้ไปแสดงออกไม่ให้พูดไม่ให้ทำอะไรที่มันไม่ดีเชื่ไว้แต่ว่าตาใช้พูดใช้พูดทัวพูดทัวให้มันเกิดเบรขาเป็นมาให้เกิดมีเบรคขามันก็จะเฉยได้ขบายมีมุขเยียมไทยจริงภาษาอะไรวะภาษาญี่ปุ่นนะ สวดบทหวงพุทเฉยเลยค่ะสวดน้าโมได้ป่ะหน้โมตัดสะพระวัดโตอะไรโตพระค่ะน้โมปฏิเสธโตรันติมาเอที่พระค่าว่าเน้าโมปริเสธโตรังติมาเอที่พระค่าว่าพระเดียไม่รู้ริ อากาศพรอาจารย์รู้เก่งมากเก่งมากนะกุงมากพระอาจารย์นเก่งมากครับอากาักผ่นดแต่แเปา น, น, น, นอนบขอบคุณนะอาจารย์พยายามขมอารมณ์ข่มใจนะอารมณ์ันจะเป็นไงก็ปล่อยมันเป็นไปแต่เราอยากไปแสดงอาการหักฐานออกมากนะ <Okay. S 2> ข่มการคงมปฏิกิริยาและขอมอารมณ์ที่เกิดไม่ได้แต่เราเราข่มเราหยุดปฏิกิริยาของของเราต่อกับอารมณ์มได้ชี้เชืเลยดค่ะพอคิดมาตลอดทุกๆเดียนเลยว่าเอพี่พระอาจารย์บอกว่าอย่าไปอย่าไปข่มเอออย่าไปกดมันปล่อยให้มันไปทำธรรมชาติแล้วก็พยายามนึกว่ามันจะต้องอยังไงค่ะ <laughs> ก <laughs> <c oughs> ็เช <c oughs> ื่ง ใ, ใจเราเฉยเราอยากไปแสดงอาการไม่ดีออกมาทางกายวาจาการแสดงทางก า, ายทางวาจ yeah. าท่อพุทโธพุทโธไปถ้ามันไม่ยอมเฉยก็พุทโธพุทโธพุทโธไปโอเคอริการโตสายุนาละพังงี้ไหมสายุนาระค่ะอาจารย์จะไปคุยกับ ท่านอื่นต่อคะ่ะพระอาจารย์จะไปโบทท่านอื่นต่อเข okay. าพดไทนะยได้นะได้นะพูดไทยได้นะพูดไทยได้ญี่ปุ่นได้คะ่ะโอเคะอาจารย์จ้าคะ่ะอท่า น, นี้ก่อนนะไปที่นี่นะซ่อไปที่กูนงอยู่ที่พัยาร์นงเชิญมันก่อนมาใส่บาทใช่ไมอ้าวค่ะพระอาจารย์ค่ะได้ยินไหมคะพระอาจารย์ได้ชัดเจน ค่ะพระอาจาอ่ า, อาใน ต, ต่อตอนนี้เนี่ยค่ะพระอาจารย์พอดีได้ฟังอ่าท่านอื่นที่ที่ได้ถามพระอาจารย์แล้วก็เหมือนว่าได้คำตอบแต่ตัวเองก็มีมันก็มีเรื่องอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีสองร่างอยู่ในที่เดียวกันคือเราอยากจะไปในทางที่ธรรมะเนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วแต่ว่าก็ต้องทำงานกับผู้คน เยอะมากครับพระอาจารย์มันมันเป็นอารมณ์ที่อยู่ข้างในแต่ทีนี้มันก็ทำให้เรารู้ว่าอารมณ์อารมณ์มที่ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันห้ามไม่ได้แต่มันห้ามได้คือทางกายเนี่ยมันห้ามได้มากกว่าที่เราจะพูดอะไรออกมาอันนี้จะหมายถึงเป็นในเรื่องของสติหรือว่ายังไงครับพระอาจารย์ก็สตินี่นะยังยังการตอบโต้การแสดงออกของเรา หรือว่าจะมีะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ไม่แสดงอาการไม่เดียวใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยว่าพุโทโธพุทกธเอาแต่ตัวเองอเป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ที่บอกแต่พระอาจารย์แต่ต้นว่านั่งได้ไม่นานแต่พอเวลาไปฟามพระอาจารย์ที่วัดเนี่ยจะนั่งได้ครับพระอาจารย์แต่พออยู่ที่บ้านเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรายัางไม่ได้ค่อยมีสตินะคะอืมเพราะว่าพระวง อ่าเกี่ยวกับงานแล้วก็เกี่ยวกับคนที่เราจะต้องไปไปวุ่นวายด้วยอ่ะครับอาจารย์แล้วก็คือเหมือนกับว่าเข้ามาเยอะมากเราก็งงเหมือนกันว่าคือตอนไหนแต่ก็ดีใจที่เป็นอ่าสะพานบุญให้กับน้องๆเ พ, พื่อนๆนะคะที่ได้รู้จักทางเฟซเขาก็ไปค่ะพระอาจารย์ประกระอาจารย์เยอะมากขึ้นแต่ในเรื่องของการทํางานเนี่ยอืมมันก็ต้องได้อ่าเหมือนกับว่าได้ประทะนะคะอาจารย์หลายสิ่งหลายค่ะ เพราะว่ามันเป็นเรื่อง ข, ของก็พอได้มันน้อยลงไปอย่าไปกระทำไนมากค่ะแต่มันมันมันเหมือนกับว่ามันมันเล่นกับอ่าอะไรนะกิเลสนะคะพระอาจารย์อืมความอยากหนูก็บอกว่าโอจะทํายังไงดีกับความอยากเออเพอดีเมื่อกี้เนี่ยอ่ะทุกข์เพาอยากเอ่อทุกเพราะว่ายึดแต่ว่าไม่ทําก็ไม่ได้อ่ะค่ะพระอาจารย์ ได้เลยทำไมไม่ได้ถ้าเราตายไปก็ไม่ได้ทําอย่างนี้เลยควาะอาจารย์แต่ว่าคิดถึงความตายต้องถึงก็จะได้ตัดได้เดี๋ยวกูก็ตายแล้วทําไปก็เท่านั้นค่ะกูก็คิดว่าเอ่ะทําไปมันก็เอาตายเหมือนเดิมแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ทําเหมือนที่เคยอ่พูดกับพระอาจารย์นะคะว่าไม่ช่วยก็ไม่ได้ไม่ทําอยู่เฉยเฉยก็ไม่ได้อีกนะคบพระอาจารย์ ได้เพีแต่เราไปคิดเองว่าไม่ได้ก็อย่างที่คิดเราตายไปเขาก็อยู่ของเขาได้เนี้ยค่ะใช่ครับอาจารย์นั่นแหละให้คิดแบบนี้มากเลยถ้าเกิดกูตายไปแล้วมีอยู่มันได้ไหมมันก็อยู่ของมันได้ไม่ได้มันก็ตายตามเราไปนะใช่ครับอาจารย์ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับอาจย์จะได้แก็ได้เนี้ยมันก็มันก็ต้องทําไปจนวันตายใช่ครับอาจารย์อ่าก็ก็มาคิดถึงตรงนี้ก็เลยว่าอะโอเคละ ก็ลืมที่จะเข้าใจแล้วว่าเอเหมือนที่เคยบอกพาจารย์อย่างละครึ่งก็แล้วกันนะคะอาจารย์จะค่อยๆ ค, ค, ค่อยๆพายจารนคนละครึ่องอันเดียร์ละอย่างรัฐบาลนี่เขาช่วยเราเครึ่งเราออกครึ่งแต่ไม่ได้ใช่ไม่ได้รู้เรื่องอาจารย์ค่ะก็จะพยายามปฏิบัติให้มากยิ่ขึ้นพายจานเราต้องคิดถึงตัวเราด้วยไม่ใช่ไปช่วยคนอื่นเนี้ยทั้งเรื่อช่วยตัวเองไปค่ะพาจารยนถูกก็หล่ะตอนนี้อาเอาคนละครึ่งก่อน แล้ต่อไปก็เอาของเราให้มากขึ้นมากขึ้นของวุ้นเลยก็ให้มันน้อยลงน้อยลงดังนั้นที่สุดก็ปล่อยเลยเอาแต่เรื่องเราคนเดียวพอแล้วคือมันอาจจะเป็นความอยากของหนูก็ได้ค่ะอยากจะทําให้สําเร็จหรือคือทําอะไรให้ทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปในทางของเราะคะ่ะพระอาจารย์มัน อ, อันนี้มันก็อาจจะเป็นความอยากของเราเองนะคะพระอาจารย์พอพอมันเสร็จแล้วมันไม่เสร็จเลยมันจะมีงานใหม่ขึ้นมาตุ้งจ่าอีกไงจริงค่ะพระอาจารย์ <laughs> ถ้ามันเสร็จจริงทุกอ่างปัญหาเลยกลัวมันเสร็จแล้วมันมีงานใหม่ต่อให้มาเองค่ะมันไม่เสร็จค่ะทางโลกเนี่ยรู้ใช่ถ้าเรไม่เด็ดกาดมันไม่เสร็จแบบเราต้องเด็ดขาดเอางานี้งานสุดท้ายชิ้นสุดท้ายเจะแล้วเจบางค่ะโลกหมุนไปเรื่อยๆหนู่ว่าโอ้ไม่มีทางสิ้นสุดแน่นอนมันคือทางเดียวเท่านั้นที่จะสิ้นสุดนะคะแต่เราไม่ตัดเไม่สิ้นสุดถ้าเราไม่หยุดมันไม่สิ้นสุดค่ะอาจารย์ค่ะ ก็พยายามปฏิบัติไปอ่ะคะ่ะพระอาจารย์ดีทำมาเดือนแล้วมีสติมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นมันก็จะตัดได้ง่ายขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ขอบคุณสอนะคะสาธุค่ะคุณสีย์สุพีร์จีใหม่ใช่ไหมที่แม่เสียไปหรอไม่ใช่เป็คคนคอพูดได้เลย กรานมัสการพระอาจารย์ค่ะยมเคยไปกราบพระอาจารย์ที่วัดมาครั้งนึงพร้อมกับน้องชายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก mm hmm. ็เคยพยายามจะเข้ามาในในในในกลุ่มแล้วก็แต่ตอนนั้นตัวเองยังไม่พร้อมก็เลยออกไปยมอยากจะถามขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับณนะปัจจุบันนี้เนี่ยยมไปวัดทุ ท, ท, ทุทุกวันอาทิตย์เพื่อไปนั่งภาวนาไปฝึกปฏิบัติธรรมกับ ทางวัดน่นะคะออแล้วก็ในระหว่างวิ e เ d ด y ์อะคะ่ะพระอาจารย์ในช่วงจันถึงสุกยกเว้นวันนี้นะคะพอ mm. ดีว่ามาม า, มาหาคุณแม่ที่จังหวัดปทุมธานีปกติโยมอยู่นะคปรปฐมออก็จะไปนั่งที่โบสถออ์ในองค์พระปฐมเจดีย์แล้วก็รู้สึกถึงความสงบ ค, คะ่ะพระอาจารย์แล้วก็เวลาที่โยมนั่งสมาธิเนี่ยโยมปฏิบัติเนี่ยจะ เซตเวลาในลักษณะให้มันให้มันไปเรื่อยๆจิตถอนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะพระอาจารย์แรกๆที่ได้นั่งสมาธินี่ตัวเองจะตกภวางอย่างหนักมากถึงกระทั่ถึงกระทั่งที่ว่าตัวกระตุกเรือยาค่ะพระอาจารย์และระยะหลังๆมานี้ค่ะรู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้นการตกภวางน้อยมากค่ะพระอาจารย์รู้สึกเหมือนกับอยู่ดีๆก็วูบมีแสง ซึ่งก็ได้ได้ตามเพจของคุณหมอบ้างตามเพจหลายๆเพจบ้างก็ก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ทีนี้เนี่ยโยมอยากจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าสามารถที่จะเริ่มเดินปัญญาได้เมื่อไหร่คะคือปัญญาก็เดินตอนที่เราไม่ได้นั่งตอนไหนที่เราไม่ได้นั่งถ้า อ, อยากที่จะเรียนปัญญาก็พิจารณาต่างกายเกิดแก่เจ็บตานิดนึง พิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยพิจารณาตายลับ ไ, ได้แต่เดาว่าถ้าเราไม่มีกําลังเราก็จะปล่อยวางไม่ได้เนี mm ่บางทีถ้ายังไม่พร้อมที่จะพิจารณาไปอยากเพิ่มไพิจารณามาสร้างสร้างกําลังปล่อยวางคือรูปเบรคขาให้มีมากๆพอเราพิจารณาว่ามัน เ, เป็นทุกข์ถ้าเราถ้าเราไปยึดไปติดถ้าเราปล่อยวางมันก็จะหายทุกข์ มีโจทย์ที่โยมได้เจอแล้วก็รู้สึกเลยว่าธรรมะช่วยทําให้เราพ้นทุกได้จริงเมื่อวานโยมเจอโจทย์ที่เอ่อเป็นสิ่งรอบตัวเนี่ยค่ะที่มากระทบแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้เลยกับการที่เรารับรู้สิ่งบางสิ่งมาจากการได้ยินนี่แ่ละค่ะพระอาจารย์แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้ทัน รู้สึกเลยค่ะว่าอารมณ์ขุนมัวกระทบจิตนะคะอารมณ์ขุ่นมัวโยอมพยายามนิ่งค่ะก็รู้และ ว, ว่าเริ่มแล้วค่ะวางอุเบกขาแล้วจากนั้นก็ปล่อยเลยค่ะให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็รู้สึกไม่ทุกข์กับมันอีกเลยอถูกต้องทำอะไร ก, ก็ถูกต้องให้ทำนี้กับทุกเรื่อง ไ, ได้เลย ถ้าเรื่องไหนยังทําไม่ได้ก็มาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าราไปยึดไปติมันเป็นอนาัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แล้วการนั่งสมาธิเนี่ยจำเป็นว่าเราจะต้องนั่งนานมากน้อยแค่ไหนคะพระอาจารย์แลปัจจุบันก็ เ, เป็นชั่วโมงอยู่ที่กำลังสติของเรานั่งจนกว่าเราจะนั่งไม่ได้ก็ แม้ว่าจะเจอทุกขเวทนาใช่ไหมคะท่านเจอทุกขเวทนาถ้ายิ่งดัต่อแล้วผ่านมันได้ก็จะดีกอมันก็เป็นแบบือนเป็นเหมือ น, น, นข้อสอบข้อหนึ่ที่เราต้องทำไม่ได้ค่ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์คนนี้ค่ะโอเคสาธุสาธุอ่าอินชยานี่หน่อยกล่าวนมัศการพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีอืม มาส่งกันบ้านเจ้าค่ะวันจันที่ผ่านมาที่หน่อยทำสัจจะไว้ว่าจะอดข้าวเย็นนะคะทำได้ก็ <c oughs> ดีวันแล้วทำไงหิวไหมอืมถ้าก็ถามใจดูนะคะว่าทรมานหิวไหมก็หิวแหละแต่ก็รู้สึกสบายใจอะคะ่ะแล้วก็สบายตัวด้วยพระอาจารย์เหมือนเราร e ค o v ว r รี่ร่างกาย เลยเจ้าค่ะการโดนดอาหารนี่ก็เพื่อช่วยเราสนับสนุนการปฏิบัติด้วยถ้าอดชี้เฉยมันก็จะไม่ได้ประโยชน์มากเท่าไหร่เ้ า, าะจะได้นั่งสมาธิได้นานๆไม่ง่วงจริงเจ้าค่ะไม่ง่วงเลย <laughs> แล้วก็คือที่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่หน่อยอดไม่ได้เพราะว่าคือหน่อยต้องเป็นคนที่แบบว่าหากับข้าวให้กับที่บ้านกินนะเจ้าค่ะแล้วทีนี้พอมันเห็นกับข้าวแล้วมันหิวอืมใช่มันหิวท้งใจไม่ได้หิวทางร่างกายใช่เจ้าค่ะเพราะว่ามันต้องเป็นเปลี่ยนภาพอาหารที่เราเห็นเน่ยคิดถึงเวลาทาี่เข้าไปในท้องแล้วมันเป็นยังไงบ้างคนกินก็แบบหือมทาเก่งหรือเกินอร่อยจังเลย เราต้องเราต้องนึกถึงภาพของอาหารที่เวลามันเข้าไปในท้องในปากมันเป็นยังไงเจ้าค่ะต้องอย่างใช้อุบายของพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะอแต่ถ้าอุบายอย่างอุบายผ้าห่อศพที่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังใช้ไม่ได้นะเจ้าค่ะก็ <laughs> ยังเอนดังฟ้าอยู่เลยใช่ค่ะ <laughs> จะตายก็บอกว่าก็ขอให้มีชุดสวยใสอะไรอย่างเงี้ยชุดสวยห่อศพอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะยังถ้าจะเป็นทาง้านจริงก็ไม่ต้องอาบน้ำสิโอ๊ยไม่ทายจะตัดเลยรู้ว่ามันมันหอมและมันเหม็นกันนะเจะมีอุบายอื่นไหมเจ้าคะมีอุบายอื่นไหมก็ดูข้างในเดี๋ยวดูข้างในนร่างร่างกายนี่เป็นเหมือนกระเป๋าหนังดีๆเลย กระเป๋าที่เราหิวเนี่ยในกระเป๋ามองจากข้างนอกก็สวยไะกระเป๋า Dior เอย Christian เอย c h ะ n e l เอยแต่พอเปิดกระวป๋าเข้ามาโอยมีแต่ขยะจริงเจ้าค่ะที่จริงก็คือเอาจริงนะหน่อยอ่ะไม่ได้กลัวตายแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็กลัวแบบกลัวหนังเหี่ยวมากกว่าเจ้าค่ะกลัวความแก่กลัวาไม่สวย ช่เจ้าค่ะก็คืออันนี้คือของผู้หญิงทุกคนเลยนะจ๊ะค่ะกลัวแบบก ล, วกลวัวกลัวหนังเหี่ยวมากกว่ากลัวตายกลัวหนังเหี่ยวกลัวหนังย่นวัวต้องไปดึงมันอยู่เรื่อยนะเพราะมันเหี่ยวมันย่นหน่อยต้อง ไ, ไปฉีดนะปเปดึงมันนะเจ้าค่ะทำไงเดี๋ยวมันก็มันก็สู้มันไม่ได้หรอกมันก็จะเหี่ยวมันไปตามกาตามเวลาจริงเจ้าค่ะคือที่จริงก็ อีกใจนึงอะ่ะก็คิดเหมือนกันนะคะว่ายังไงมันก็ยือ้อยื้อไม่ไหวหรอกยังไงก็เป็นไปตามการเวลาลวสวยทางใจดีกว่าความงามที่แท้จริงเดีด๋ความสวยทางใจสวยด้วยศีลและธรรมนี่ย้ะค่ะก็เหยียบเรือสองแคมอยู่ก็พยายา ม, มถือศีลเพื่อที่จะแบบว่าสมมุติว่าเข้าไปจริงๆเราก็จะได้ไม่ทุกข์มากกันนะไม่แน่วันหนึ่ก็อาจจะเบื่อเราก็ได้ จริงเจา้าค่ะคือที่จริงเมื่อวานเหมือนหน่อยสอบตกไว้อย่างหนึ่งเจา้าค่ะคือพอดีหน่อยเป็นไมเกรนแล้วแบบเมื่อวานหน่อยไม่แน่ใจว่าหน่อยไปกินอะไรที่แบบว่กากระตุ้นไมเกรนนะเจ้า<อ>ค่ะแล้วทีนี้เหมือนกับหน่อยปวดหัวมากๆสุดท้ายก็ต้องกินยาเจา้าค่ะคือถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องนั่งสมาธิเพื่อที่เข้าสมาธิใช่ไหมเจา้าค่ะ แต่ว่ามันไม่ได้จริงๆเลค่ะปวดกูไม่ได้ครท่องพุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้พยายามท่องพุโทโธพุโทโธไปให้มันเลมเรื่องความปวดไปให้ได้มันจะทําให้ความปวดทรมารความทรมานมันน้อยลงความปวดไม่เป็นปัญหานะ้มันตัวปัญหาคือความทรมานความอยากให้มันหายปวดเราต้องการหยุดไอตัวความอยากนี้ คุณทโถท่คททุณโถุณโถุณโว่าอ้ามึงจะปวดก็ปวดไปแต่มึงจะไม่อยากให้มึงหายแล้วยอมอยู่ประมาณยอมหยุดเย็นแล้ ว, ลวกินยา<อ>ได้ไหมเจ้าะคะ่ะก็นี่ก็กินยายาทางร่างกายก็กินไปถ่าจนจําเป็นจะต้องกินก็กินไปเจ้ค่ะยาทางใจก็ต้องใช้ธรรมะออกสนใช้ยาทางทางธรรมะหรือใช้สติคุณโถุ่ณโถไปใช้ปัญญาปอกไปว่ า, ามันเป็นอย่างนี้ เรื่องของอาจารไม่เทีย่ยงเจ้าค่ะเน้อเจ็บเนื้อเนื้อป่วยเนื้วไม่เจ็บเนื้อหายเมื่อสลับกันไปสลับกันมาเจ้าค่ะแล้วพอดีเห็นตัวเองป่วยแล้วก็เลยจะถามว่าอย่างพระอาจารย์อย่างเงี้ยจ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าปวดหลังพอดีไหนไปทํารีเสิร์ชมานะเจ้าค่ะเขาบอกอยู่ในในเว็บนะคะบอกว่าพระอาจารย์แบบ อย่างคนที่ปวดหลังเงี้ยคือที่จริงไหนก็ปวดหลังมาประมาณสาอาทิตย์แล้วจ้ะค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไหนไม่แน่ใจว่ายืนนานหรือเปล่านั่งนานอะไรอย่างเงี้ยได้แบบมันมีปัญหาก็ยังทอทนได้นะคะแต่ว่าพอไม่กินปุ๊บได้แบบยังต้องกินยานะจ้ะค่ะแล้วทีนี้ก็ไป<ำ>ไปทนไม่ได้ก็ต้องปีนยาไปก่อน ถ, ถ้าถ้าถ้าทนได้ก็อย่าไปกินนะ เจ้าค่ะไอปวดหลังทนได้เพอดีในเห็นพระอาจารย์ปวดหลังด้วยก็เลยลองไปรีเสิร์ได้ยินเล้ทีนี้โทรศัพท์มันขึ้นก็ค่ะขึ้นมาว่าอการปวดหลังก็คือเหมือนกระดูกเสื่อมอย่างหนึ่งก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ฉันยาไหมเจ้าค่ะฉันแล้วก็ฉันยาบำรุงกระดูกอยู่เป็นประจํำกิ น, กนพวกแคลเซียมอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะนายจะซื้อไปถวายอีกเจ้าค่ะ อ๋อก็ซื้อก็ได้แต่มันไม่ซื้อก็ดีกว่าเพราะเรากินของเรามันมีขนาดของมันไม่ไม่อยากจะอย่าซื้อมาแล้วมันไม่ได้ขนาดแล้วก็กินแล้วมันจะมันจะปนกันนะมันเนี่ยไม่ต้องซื้อเราพวกยายาตพรามันเป็นพวกยาเฉพาะที่เราต้องจัดหาเองคนอื่นซื้อมาแล้วมันอาจะไม่เหมนกับที่เราใช้อยู่ ไม่เป็นไรแล้มีเดรัฟเฟอร์ ม, มีมีปัดจงปัจใจอะไรที่จะสามารถสั่งมาได้จ้าค่ะขอบคุณนะเรื่องยานี่ไม่ต้องไม่ต้องดีกว่ามันไม่ใช่ยาจ้าค่ะเป็นวิตามินเสริมนั่นและใชมมม่มันเขายางมันมนก็ต้องมีมีอมีสูตรของมันใช่จ้าค่ะอาหารเสริม จะค่ะแล้วเอ่ออย่างถ้าเอ่อก็ที่จริงไปถวายได้แต่ว่าแล้วแต่พระอาจารย์นะจ้าค่ะว่าจะอ่าให้พระองค์ไหนให้อะไรอย่างเงี้ยจ้าค่ะได้รับได้ถวายได้แต่จะฉันได้ไม่ได้ตําไหนก็ต้องดูพิจารณาดูความเหมาะสมจ้ะค่ะอืมจะค่ ะ, ะ, คะแล้วเอ่อพระนี้ฉันยาปกติเอ่อไม่เจ้าค่ะก็แต่ละองค์ท่านอาจจะมีโรคเฉพาะตอน นั่นก็ฉันเฉพาะแต่ละคนอาจจะมีปัญหาทางด้านโน้นด้านนี้ทั้งนญญั้นก็มียาเฉพาะที่จะไปแก้ปัญาอืมเจ้าค่ะแล้วถ้าถ้าอย่างอ่าบุคคลทั่วไปอย่างหน่อยอยากซื้อยาไปถวายวัดอย่างนี้พระอาจารย์มีแนะนํำไหมเจ้าค่ะว่าซื้อแบบไหนมาดีกว่าอะไรที่พระได้ใช้จริงๆเจ้าค่ะที่แบบไม่จําเป็นต้องเป็นพระอาจารย์ให้พระอาจารย์แนะนํา ก็ยาเราก็ไป่รู้นะเพราะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยกินยายนะใช้ธรรมะโอสถเป็นหลักะะปวดท้องก็ปล่อยมันปวดไปเดี๋ยมัก็หาเองทนอยู่กับมันไปทําใช้สติมุทโตมุทโทใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นตายลาไปเมื่ออยู่กับมันได้มันเดี๋ยวมันได้มันก็ผ่านไปปัญญาไม่ค่อยกินยายนะปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้พิจารณาใช้ปัญญาใช้ธรรมะโอสถดีกว่าเจ้าค่ะ อืพระอาจารย์เจ้าคะคือที่จริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่เราจะต้องปฏิบัติกันก็คือว่าการที่ตอนนี้ก็คือปฏิบัติกันไปเรื่อยๆ mm hmm. พอดีไหนเห็นมีพระที่เป็นข่าวดังนะเจ้าคะที่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยคือแล้ว mm hmm. มาแยกนิกงนิกายอะไรอย่างเงี้ยคือในทางพระพุทธศาสนาเราอะ่ะไม่มีแยกนิกายใช่ไหมเจ้าคะ่ะ mm hmm. ก็คือแบบปฏิบัติตรงเลยเพื่อที่จะหลุดพ้นกิจกกิเลสถูกไหมเจ้าคะ คือพระนี่มันก็มีการปฏิบัติเป็นแนวทางที่ไม่เหมือนกันไม่ไม่เหมือนกันบางส่วนไม่ใช่ทุกส่วนนะงส่วนส่วนย่อยส่วนเล็กน้อยที่มันไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้อยู่ร่วมกันไม่ได้ต้องอยู่แยกกันอยู่เช่นพระสายสายหนึ่งที่ท่านก็แบบว่าท่านจับมันได้ท่านร้อมกันได้ แต่ไปช้อปปิ้งได้ใช้เงินที่ท่านไปช้อปปิ้งได้แต่ผ้าสายหนึ่งท่านจับไม่ได้ท่านเก็บเองไว้ไม่ได้ท่านต้องฝากไว้กับาญาติโยมแล้วเวลาต้องการอะไรก็สั่งให้าญาติโยมไปจัดซื้อมาให้ไม่ใช่ไปซื้อเอาเองไปเลือกซื้อเ อ, เองตามนั่นที่เห็นภาพไปช้อปปิ้งเนี่ยแสดงว่าเปไนเป็นผ้าสายหนึ่งนะถ้าที่ท่านไม่จับเงินท่านก็ไม่ไปช้อปปิง้ง มันก็เลยมีแยกกันเพราะแยกกันเพราะว่าการปฏิบัติมันไม่เหมือนกันมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ในบางไทยก็มีสองสองสายสายหลักก็คือมหานิกายเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นมหานิกายส่วนสายสายสายเล็กนี่เป็นสายที่โผ่มาทีหลังเป็นสายที่แข้งแข็งพยายามรักษาทำด้วยในตามที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ เอาเรื่องมาทยุต์เนี่ยทำอายุต์เจ้าขาทำอายุต์นี่ส่วนให ญ, ญ่จะเป็นสายของพระวัดป่านเนี่ยมันทำอายุตัวนึงเจ้าค่ะคือที่จริงหน่อยคุยกับพระอาจารย์เนี่ยอย่างที่บ้านก็จะบอกว่าคือหน่อยอะสุดโต่งมากแต่ว่าถ้าหยุดหนเข้ามาในกลุ่มเนี่ยก็คือว่าหน่อยนีดน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่าพี่พี่หรือแม่ก็ญาติธรรมทั้งหลาย คือจะถือสินแบ่ได้มากกว่าน่อยอีกแต่หน่อยยังถือได้น้อยมากเลยแบบคื อ, อไม่ต้องกังวลหรอกว่าในเร่องนี้ก็ถือว่ามีแบ่งเป็นชั้นๆไปตามกําลังของแต่ละคนไม่ต้องเป็นจะต้องปฏิบัติในนั้นดับเดียวกันทุกคนเจ้าค่ะเราอยู่ในใ ช, ชั้นไหนแล้วก็ทําไปตามกําลังของเราไปก่อนเจ้าค่ะก็คือออกไปออกมาข้างนอกบางทีเรื่องแบบยังชวนปฏิบัติทำอย่างนี้ก็ชวนใครไม่ได้นะเจ้าค่ะ ก็แล้วแต่เราไปชวนถูกคนหรือเปล่าถ้าไปชวนคนที่เขาชอบปฏิบัติก็ชวนได้ไปชวนคนที่เขาไม่ชอบปฏิบัติมัก็ชวนไม่ได้ชวนยากคนไม่ชอบปฏิบัติคนชอบปฏิบัติมีด้วยจริงเจ้าค่ะคือแบบน้อยจริ ง, รงๆเจ้าค่ะน้อยมากมคือแบบเราเหมือนกลายเป็นคนคนแปลกประหลาดสําหรับเขาไปเลยอะเจ้าค่ะเพราท่านบอกว่าเหมือนคนวัวกับเขาวัวไงชอบปฏิบัติไี่เหมือนเขาวัว คนไม่ชอบปฏิบัติไม่เหมือนคนมัวเจ้าค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ละจ้ะค่ะอ่าไหนจะไปใส่บาตรพระอาจารย์วันที่แปดนะเจ้าค่ะแปดตุลาอีกสองอาทิตย์จ้ะค่ะโอเคเจ้าค่ะสาธุโมตนาไม่มีอะไรแล้ะจ้ะค่ะโอเคเดินไปที่คุณอะิสิทธิ์ต่อระเบิสศิธต์อยู่ที่ไหนสกนกรพระอาจารย์นค ครับตกตกนิดนึงครับอาจารย์ตกนิดนึงครับมีมีคําถามพระอาจารย์นิดนึงครับพระ อ, อ, อ, อาจารย์ว่าไงคือตอนที่ภาวนาพุทโธพุทโธไปเนี่ยมันก็จะพังเปลือคิดไปตัวเนี้ยมันเป็นพอเรารู้ว่าเราคิดไปมันก็แอ๊คิดไปแล้วอะไรประมาณนี้ยซึ่งพระอาจารย์อธิบายไว้ในอาทิตย์ที่แล้วว่ามันเป็นความคิดที่ซ้อนอยู่ ตรงเนี้ยมันเป็นรอยต่อของอ่อรอยต่อที่จะเข้าไปสู่สมาธิอีกตรงจุดหนึ่งซึ่งพอเรารู้รู้รู้ว่ามันคิดไปเราต้องรู้อยู่เฉยเฉยไม่เอะอะไรตรงนี้เราจำกันที่ากันที่พุทโธเราต่อมองเราอย่าไปซ่องอยู่กับพุทโธก็คืออย่าให้อย่าให้มันไปตัวนั้นตรงนี้มันเป็นตัวยื้อกันระหว่างระหว่างตัวหนึ่งที่จะวิ่งวิ่งใช่ระวังกิเลสกับธรรมเนี่ยมันแข่งกันกิเลสก็อย่าหลุดใจให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ตัวที่จะคิดตัวนั้นกับคาบริกรรมพุทโธใจนึงนะ่ะมันจะอยู่กับคําบริกรรมใจหนึงมันจะไปกับตัวความคิดนั้น<อ>จริงจริงมันซ้อนกันอยู่สองตัวเขรียกว่าสองจิตสองใจแบบสองจิตสองใจแล้วก็ถ้ายากทาให้มันเป็นใจเดียวให้มันอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวถ้ากําลังใจมันดีขึ้นมันก็จะไปอยู่กับคําบริกรรมพุทโธใช่ถ้าสติดีขึ้นไปมากๆต่อไปมันก็จะอยู่กับพุทโธแล้วพออยู่พุทโธได้ฝ่ายหนึ่นก็หยุดไป ครับตัวนั้นมันก็จะหยุดไปโดยเดียวว่าเราไม่ใส่ใจตรงจุดนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่เราไม่เป็นราต้องวางใจให้อยู่กับพุทโธให้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่อยู่กับพุทโธอย่างเดียวเพราะว่าตรงจุดนี้มันเป็นเป็นรอยแยกที่สําคัญที่คนจะเข้าสมาธิไปตรงจุดนี้ครับถูกต้องมันมีมันเข้าไม่ได้ถ้าอยู่กับพุทโธมันจะเข้าได้ครับก็ก็ก็คือต้องวางใจให้มันอยู่กับพุทโธให้ได้ถูกไหมคระบอาจารย์ถูกต้อง ต้องทำไปขณะที่มันคิดก็ย่าไปสนใจให้มุ่งตรงมุ่งตรงมุ่งตมุ่งตรงของเราไปครับอาจารย์ครับขอบคุณพระอาจารย์มากครับรบกวนพระอาจารย์แคนนี้ครับคุณหมอสุนทรเสนมุทุมทานีลมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคเป็นไปที่คุณหมอเวลพันดิสโนโ นัการะศักดิ์อาจารย์ครับไม่เปไรไม่มีอะไรเข้ามาสนทนามาฟังธรรมกันครับอาจารย์คราบอเคภาวนตามอาจารย์ครับอ <Okay. S 2> ่าสาทุปฏิบัติไปเรื่อยนะมากเมื่อนะไหร่ก็ปฏิบัตินั่งสบายนี่ไปครับ <Okay. S 1> okay. อ, อาจารย์ขอบคุณครับโอเคต่อเยขอไลน์หน่อยนะคุณ คนแบมแบมไมโฟนแบมอยู่ที่ไหนคนแบมพูดได้เลยกราวธรัสการพระอาจารย์ค่ ะ, อ, ะอยู่ที่ไหนบาน้านอยู่ไหนอยู่หัวหินคะ่ะแต่จริงๆคนกรุงเทพค่ะอ่าให้าพ ก, ก่อนนะอยากมาปฏิบัติธรรมค่ะ ไม่ตอนได้ไปวอร์เรนนี่ตอนได้ไปพาพอร์ตนะฮะไปเที่ยว อ, อ๋อตั้งใจมาปีกวิเวกค่ะอ๋อไม่ที่ปีกของเวรนคือแ ม, มแ่เหมือนมีห้องอยู่ก็เลยไม่ตาย อ, อยู่ค่ะให้อยู่คนเดียวอ่าค่ะก็ดีแล้วมีะอะไรมีรับปฏิบัติหรือเปล่าวิเ ว, ก, วก้วก็พยายามถือศีลแปดแล้วก็ ภาวนาตามกำลังอ่พยายามอย่าไปทำอะไรอย่างเงยเดินจยงกองนั่งสมาธิทำเทปทําทําทำสามอย่างนี่ก็พอพยายามค่ะแล้วก็มีเรื่องอยากปรึกษาพระอาจารย์คือมีวันก่อนไปหาหมอมาแล้วคุณหมอให้ทานยาหลังอาหารสามมื้อแล้วเราก็ เหมือนรับคำท่านไปแต่ว่าเราถือศีลแปดอยู่เลยคิดว่าต้องลดเหลือศีลเจ็ดหรือเปล่าเพื่อไม่ให้ผิดที่เรารับคำไปอะไรเงี้ยค่ะอ่ามันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาเห็นสิ่งไหนสคาคัญนะกับกันการยินญาสาคัญกับการรักษาศีลข้อหอ ก, กแล้วก็ต้องเลือกยินญาไปก่อน แต่ถ้าคิดว่าการาการรักษ า, าสีนหกนี้สำคัญกว่าการไปกินยาแล้วก็อย่าไปกินตอนนั้นถามหมอเขาไม่ได้แลยว่ากินตอนกินกินยาโดยที่ไม่ไดไ้ไม่ได้รับประทานาได้หรือเปล่าอ๋อแต่มันจะไม่ผิดข้อสี่ไหมข้อสี่ะที่โกแบบแเหมือนเราไปรับ ทํามาแล้ว เ, ลเราไม่รับแล้วก่อนเวลาเวเราจะไปรับของมาแล้วต้องถามหก่อนเวลาเร า, าให้ยามาเราก็ต้องรู้ว่าเราเราไม่กินอาหารหลังเที่งวันแต่แล้วเราไปถามหมอว่ า, วาอันนี้กินในขณะที่ไม่ต้องทานอาหารได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้กินอาหารนลังจากที่มันไปแล้วคุยกหมอได้ของนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปทัปบปากอ๋อแต่รับปากไปแล้วก็ไม่เป็นไรโทรกลับไปถามใหม่ก็ได้ อ๋อค่ะถ้าถ้ากินยาโดยที่ไม่ต้องกินอาหารได้ก็ก็รักษาสินสินข้อหได้ออถ้ายามันไม่กัดกระเพาะกินท้องไม่กัดกระเพาะกินท้องว่างได้ป่ะทานสอกวันหนึ่งเจ้าค่ะวันนี้ที่เขาบอกให้กินหลังกินหลังอาหารเพราเห็นว่ามันจเป็นเวลาถดวกไงให้เรากินพอกินอาหารเสร็จก็ให้กินยาที่บางทียาบางชนิดมันอาจจะกัดกระเพาะต้องกิน ในขณะที่ท้องมีอาหารแต่ยาโมเชลินมันไม่กัดเฉพาะก็ไม่ต้องกินในขณะที่ท้องมีอาหารก็ได้ในขณะที่ท้องว่าต้องถามหมอโดยยาที่เป็นยังไงกินตอนที่ท้องว่างได้ปะเพราะเราถือสีนแต่ก็บอกหมอว่าไป็นตรงๆอันนี้มันจะไม่ยากเยินตรงไหนอ๋อเจ้าคขาแล้วก็เหมือนบางทีเหมือน ปฏิบัติไปแล้วก็เหมือนเห็นแบบบางอย่างไม่ดีของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ดีไงปฏิบัติก็เพ่อจะได้เราจะได้ย แ, ยแยกแยะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งหไหดแีแล้วก็อย่าไปทํามันต่อไปอย่าไปคิดมันแล้วก็ยังมีเหมือนสงสัยในการการะทําของตัวเองอย่างเช่นแบบว่าเหมือน บางทีเหมือนมีคนมาถามเราแล้วเราเหมือนไม่ได้อยากบอกเขาอะไรนี้เราก็ตอบเขาไปแต่ว่าแบบไม่ได้บอกหมดอะไรเงี้ยมันจะเป็นการโกหกไหมคะถ้าพูดความจริงแต่พูดไม่หมดไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นการโกหกครับแต่พูดไม่จริงเนี่ยมันถึงว่าถึงว่าเป็นการโกหกอ๋อค่ะแลพ้พูดไม่หมดไม่เป็นไรพูดได้หมือดใครจะมาพูดทูกสิ่งทุกอย่างได้หมดใช่ไหม ก็พูดเท่าที่เราต้องการที่จะให้เขารู้ส่วนส่วนที่เราไม่อยากให้คขารู้เราก็ไม่ต้องพูดเท่านั้นเองอย่างนี้ก็ไม่ไม่เป็นการกอร่อค่ะ แ, <ต>แล้วก็ในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงเนี้ยเหมือนอยงนีเรียกว่ากอ่อค่ะแล้วก็มีเหมือนเรื่องแบบเคยอ่านอย่างเช่นเรื่องว่า สมมติคนเขาเห็นแบบโจรวิ่งผ่านไปแล้วก็เหมือนมีแล้วก็คนก็วิง่งไล่โามถา ม, ถามพระว่าเห็นเจเห็นคนนั้นวิ่งมาไหมพระก็พระท่านกา็ก้าวเปลี่ยนที่แล้วก็ตอบว่าไม่เห็นเออเรื่องนั้นนะคะ อ, อ, อันนั้นโกหกเ้ยก็ท่านไม่ได้ยืนอยู่ตรงที่ท่านเห็นเนี่ยท่านมายืนนั่งไปอีกที่หนึ่ง มันเปลี่ยนที่ท่านก็มองตรงตรงที่ท่านอยู่ตรงนั้นท่านมองไม่เห็นอ๋อเจ้าค่ะเพราะท่านเพราะท่านไม่อยากที่จะไปมีเวรมีกรมรมกับใครท่านก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงการม่เวรมีกรรมนั่นอ๋อเพิ่ไม่อยากจะให้คนที่ตามนี้ไปทําร้ายคนที่เขาหนีเี้เมตตาทั้งสองฝ่ายแต่ท่าไม่ได้ทําเพื่อปกปิดความความความชั่วของตัวเองทําเพื่อมาให้เกิด มีการทำร้ายกันท่านยืนอยู่ตรงนี้ขณะที่ท่านเห็นท่านยืนอยู่ตรงนี้พอกคนมาถามท่านก็เดินเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่ยืนแล้วก็ถามเห็นไหมท่านก็บอกไม่เห็นเพราะตอนนี้ตอนที่ท่านยืนตรง น, นี้ไม่เห็นแล้วตอนที่ท่านเห็นมันอยู่อีกที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคเคยต้องอยู่ที่เหมือนเจตนาอะไรเงี้ยคะ่ะอไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาเจตนาก็มีส่วนเพราะมันเป็นกุศโลบายของท่านนไง การเห็นว่าคนนั้นเขาว่าหนีตัวกลัวจะถูกทำร้ายันที่จะตามมาก็อย่าไปทำร้ายเขา อ, อย่างเงี้ยท่านก็ไม่อยากให้มีการทําร้ายกันท่านก็เลยหาอุบายวิธีที่จะตอบแบบไม่เห็นอ๋อลึกซึ้งค่ะใชนั้นเองค่ะแล้วก็มีคือเรื่องเหมือนมีครูบาอาจารย์ไม่อนุ ญ, ญาตให้ เผยแผ่รูปและคําพูดของท่านแต่ว่าเราไปเซฟมาจากคนที่ได้เผยแผ่โดยเจตนาจะอ่านทำเพื่อเตือนสติตนแต่ว่าอย่างนี้ถือเป็นบาปไหมคะก็แล้วแต่ว่าท่านสั่งหรือเปล่าท่านสั่งเราหรือเปล่าถ้าท่านไม่สั่งเราท่านสั่งคนที่คนอื่นนะเขาเขาไม่ ท, ทําเขาก็ขัดคืนําสั่งของท่านน้วนเอ แต่เราไปเซฟมาเราไม่ไม่เกี่ยวเนี่ยเรามันมามันของมันเหมือนของมันตกหล่นอยู่เราเห็นเข้ามาเราก็เก็บขึ้นมาดูถ้ามันเป็นประโยชน์เราก็เก็บไว้ดูได้มันเป็นไรถ้าไม่หวงหรอกถึงแต่ว่าท่านอาจจะไม่อยากจะเป็นปรากฏให้ขึ้นในกับเป็นจิ๊นในจิ๊นสาธารณะมากเกินไปมันก็เลยไม่อยากให้ถ่ายรูปอะไรอ๋อเจ้าค่ะแล้วก็อย่างคําว่าแบบ ยึดติดทำวินัยเกินไปคือยังไงวะคะทำวินัยถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกมันยึดติดไม่มีเกินไปลมันก็ถูกอ๋อโอเคเจ้าค่ะทำวินัยต้องยึดติดเพราะมันเป็นเหมันสี่ ง, งนี้เราต้องยึดติดไม่มีคำว่าวเกิดไปคำว่าวไม่โกหกก็ต้องไม่โกหกไปตลอดชีวิตนี้อ๋อเจ้าค่ะ ค่ะแล้วก็เหมือนปฏิบัติไปก็มีเหมือนมันชอบมีเรื่องอะไรเข้ามาเหมือนทดสอบเราทุกวันเลยบางทีมันก็ไม่ผ่านอะไรเย่้งเจ้าค่ะก็เป็นธรรมนนาะนักปฏิบัติมักจะมีมานาะคอยขาดคอยความอยู่เรื่อยๆก็พย า, ายามใช้สติใช้ปัญญาแก้ไขไปตามกำลังของเรา เจ้าค่ะเช่นแบบสมมติเป็นเหมือนเจ็บป่วยแต่ว่ามันก็เหมือนไม่รู้เป็นอะไรอะไรอย่างนี้บางทีมันก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมามากอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องต้องยามรับว่าร่างกายเรามันก็ต้องเจ็บให้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแต่เราไม่ต้องไปป่วยของมันเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นใจใจเราไม่ต้องไปทุกกับความเจ็บปวดของร่างกายถ้าใจเราทุกข์เราต้องใช้สติมันใช้ทวนทวนท่องไปค่ะจะพยายามเจ้าค่ะแล้วก็มีเรื่องเอ อ, อที่มีพี่คนหนึ่งเขาพูดว่าท่านอาจารย์ปวดหลังอะไรเนี่ยก็ เหมือนเคยไปฝั่งเข็มมันก็บันเทาขึ้นอะไรเนี้ยเจ้าค่ะก็เลยอยากบอกไว้เฉยๆเจ้าค่ะอ๋อมันก็ไม่ได้ปวตลอดเวลาตอนนี้เราก็ไม่ปวดอมันจะปวดช่วงเฉพาะตอนที่เราเดินนั่นเองค่ะแค่นเวลาอื่นถ้าไม่ได้เดินนะถ้านั่งถ้ายืนถ้านอนนี่ไม่เป็นไร ม, มันปวดเฉพาะที่เวลาเราเดินบินทบาทนี่นะ อันก็มีวิธีแก้มันมันปวดมันเมื่อยเรามันไม่ปวดมันเมื่อยมันแล้วก็ดัดหลังหน่อยดัดหลังมันก็หายเมื่อยแล้วเดินไปสักพักมันมันเมื่อยอีกละก็ดัดหลังมันไปอีกก็พออยู่กับมันไปได้ไม่เดีอดร้อนอะไรพออาจารย์มีไม้นวดอะไรยัมั้ยมีมีบ้างไม้ไม้สำหรับนวดอะพวกเส้นอะไรมีมันดีเส้นมันตึงมันแข็งก็ไม่ได้ตัว มันไม่ได้เป็นไม้ลมันเป็นเป็นเขาโวล์เรื่องเป็นเขาอะไรน่กวทำมาะก็ที่าทมาให้ท้องใช้ใช<ห>้เครื่องเครึ่งเส้นอะไรเนี้ยแล้วเส้นมันเติมก็ใช้มีแบบอย่างนี้มั้ไม่ไม่ไม่รู้หรอกไม่เป็นไรหรอกเรามีพอพอเพียงแล้วไม่ต้องกังวลเอาพูดเรื่องของของหนูดีกว่า เรื่องหนจบแล้วค่ะอ่าโอเคไม่มีหลเขาวกนี้ไม่ไ ม, ไม่จาเป็นเรามีพอเพียงแลเจ้าค่ะโอเคนะหนูดูแนาะตัวดูเองเถิดไม่ต้องมากังวลกับเราหรอกตัใครตัวมันนะเข้าใจไหมค่ะอัตตาเหอตนโนมัโถามนที่เรื่อของตนกับขอบว่าคุณพระจารย์ท่านเขาไม่ขอร้องเราเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปกังวล ถ้าเขามาขอความช่วแเล้วก็ช่วยเขาไปถ้าเข็ไม่ขอความช่วยเหลือก็ปล่อยอยู่ตามสภาพงเขาไปจ เ, เปจนะ้าค่ะโอเคน่าใจนะค่ะขอบพระคุณโอเคไปที่คุณเฉลิงอนคนนี้อยู่ไกลอยู่เมริกาเลยก<ต>น้องส ก, กาดเขามาฟังทำพระอาจารย์เรารู้สึกมีความสุขรู้สึกใจเย็นขึ้น ไม่มีอุเบกขาก็เริ่มมีสติว่าเอ้ยต้องมีอุเบกขาด้อาจารย์จะ<ห>ค่ะก็ไ ม, ไม่นำไป ว, วุ่นวายกับใครไม่นำไป ว, วุ่นวายอะไรใช่ค่ะพรอาจาราย์ก็อยู่ข้าพระอาจารย์ค่ะอืมก็มารายงานการปฏิบัติค่ะพรอาจารย์อืมช่วงหลังๆก็รู้สึกว่าปฏิบัติได้ได้ได้ดีมากขึ้นสติสติอยู่กับลมหายใจได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นจนบางทีลืม ลืมมองเวลาค่ะพระอาจารย์นึกว่านั่งปั๊บเดียวออกไปเอ า, ไปไปเอาผ่านไปสามชั่วโมงกว่าแล้วยังเพิ่งจะเพิ่งจะหลุดออกมาเราก็อู้ตายแล้วเอรู้สึกว่ามันมันมันแนบแน่นกับความ hmm. อารมณ์มันนิ่งมากขึ้นนะคะพระอาจารย์ดีนั่งแน่นมันสงบได้มันเย็นได้มันสบายอ่าแต่ในขณะที่นั่งเนี่ยมันก็ยังมีความคิดที่ที่หลุดออกมาหลุดออกมาแล้วเราก็จับแล้วเราก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อย แล้วพอเวลามันไม่ไปเราก็ดูแต่ความว่างไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เราต้องการให้มันหยุดชิดให้มันอยู่กับความว่างไปถ้ามันคิดก็หยุดมันแล้วพอยมเหมือนกับว่าจะถอนออกมาพยมก็บอกว่าไม่ได้ต้องกลับเข้าไปใหม่เหมือนกับเหมือนมันมีความเพียนมากมีความเพียนว่าอย่าครอยู่ในสมาธินานเท่าไหร่ยิ่งดีไม่เสียหายอะไแล้วก็ดันดันตัวเองให้กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ ใจนิ่งเย็นเวลาออกมาใจจะได้เย็นกับเหตุการณ์ต่างๆได้ค่ะค่ะจนกระทั่งไม่ไหวจริงๆถึงจะบอกโอเคพอแล้วอ่าค่ะก็ประมาณนี้ค่ะที่ปฏิบัติมาที่ผ่านมาดีค่ะปฏิบติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์อย่าเล่เลไม่เลิกค่ะพระอาจารย์ไม่เลิกก็จะเป็นฝั่งตอนนี้ยังไหวยังอยู่การน้ำทะเลอยู่ตยังอยู่ไหวไปเรื่อย ถ้าหยุดบ้านเ่อชมเมื่อนั้นเลยนะถ้าหยุดบ้านเมื่อไหร่ชมใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ก็โยมก็โชคดีที่ได้ที่ได้พบกับพระอาจารย์แล้วก็บางทีเวลาเราไปเจอผู้คนเพราะโยมต้องเริ่มกลับไปทํางานที่ทํางานแล้วอะค่ะบางทีการไปพบเจอผู้คนแล้วกันิดโดนสิ่งรอบตัวมากระทบแล้วรู้สึกว่าเราเสียดายสิ่งที่เราทํามาอุเบขานี่มัน มันหายไปเร็วมากอะค่ะพระอาจารย์ก็เด right. ินกลับมาได้ท่านพุทโธพุทโธพอรู้สึกว่าเราไม่ได้อย่เบ็ดขาดแล้วก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธไม่พลาดเสียใจค่ะพระอาจารย์ก็ต้องฝึกต่อไปแต่เราก็แอบเสียดายว่าถ้าเราได้ทําอยู่ที่บ้านงกกว่านี้มันายไปแล้วที่มันเป็นอดีตไปแล้วมันไอยู่เราปัจจุบันตแก้ปัญหาปัจจุบันให้ได้โยมรู้สึกว่ามันต้องมีสติสูงมากๆแล้วก็ต้องมีความเข้าใจโลกตําความเป็นจริง แล้วก็ต้องมียอมหยุดยินหลายอย่างมากที่จะเข้ามาช่วยให้เรามาาันมีอุปสรรคหลอย่างอะชีวิตเราไปเหมือนว่าอาหารบกแพร่ขึอย่างนี้มากมาเลยแต่บางทียงไม่ค่อยยองไงคะรู้สึกว่าโอ้โหทําไมมันวุ่นวายขนาดนี้หมายถึงว่า<ม><ม>ทั้งเรื่องการงานแล้วก็เ อ, อแล้วพอโรงเรียนของลูกเริ่มเปิดเทอมก็ต้องผู้ปกครองก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้น<ม>ก็เลยมีมีเรื่องราวต่างๆ มากมายแต่ก็แต่โยมก็ไม่หยุดค่ะพระอาจารย์ก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะก็ทําเท่าที่เราทําได้เมื่อมีหน้าที่อือ่นต้องทําก็ต้องทําไปให้มันยิง่งเราอยู่เราอยู่ค า, า, ารว่าอยูอยังไม่สามารถที่จะไปอยู่ตามลาพังได้ยังเกี่ยวข้องกับสังคมอยู่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าที่เราจะทำได้ค่ะพระอจาร ค่ะ <K an> จะน้อมนำไปปฏิบัติแล้วก็จะฝึกต่อไปเรื่อยๆนะคะพระเจ้าขอบคุณมากค่ะพระเจ้าขอบคุค่ะมั น, นี้คุณชิ่ไม่โผล่มานะอาจจะยุ่งทำงานยูงทำงานอยูอ่ไอ่เป็นรเดี๋ยวอาจจะโผล่มาก็ได้เดี๋ยวได้ยินเสีคุณทัศน์ินทอนเดี๋ยวเรามานะ <S <S 2> <S 2> สงสัยรู้ตัวแล้วล่ะรับไปที่คุณกฤษศักิฤษศัเชิญมาสักการกับพระจาครับ ก็ยังปฏิบัติอยู่ครับแล้วก็อ่พอดีวันนี้เข้ามาฟังครับพระอาจารย์พูดถึงธรรมะโอสถมีคำถามพอดีเลยครับพระาอาจารย์คือตอนที่เรานั่งสมาธิเราจิตเราสงบครับอพอเราออกมาแล้วเหมือนแบบขาที่เราเคยปวดเมื่อยปวดเมื่อยมันก็ไม่ปวดเมื่อยมันเหมือนแล้วก็บางครั้งที่เราแบบ คัดจมูกคัดจมูกพอเราเรานั่งแล้วเราถึงสงบหราพอถอนออกมาก็ไม่คัดจมูกเป็นปกติลักษณะอย่างนี้มันเป็นธรรมโอสถหรือเปล่าครับะอาจารย์อมันมันเป็นเรื่องของร่างกายถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเราไปยุ่งกับมันมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาจะว่าเป็นธรรมโสถธรรมโอสถก็ได้คือใจเราปล่อยวางมันไม่ไปยุ่งกับมัน มันจะคัดก็คัดไม่คัดก็ไม่คัดมันจะเจ็บก็เจ็บมันจะไม่เจ็บก็เรื่องของมันไปันี้คือธรรมาอสุนอามารักษาใจไม่ได้ไปรักษ า, าอาการของร่างกายอากายของร่างกายจะเป็นยังไงก็ยอมรับสภาพของมันไปนเอนแต่ใจไม่ไปทุกข์ไม่ไปวุ่นวายกับมันนี่คือธรรม า, ร า, า อ, อ, รอสุรักษาใจไม่ได้ไปรักษ า, าที่ร่างกายมั น, น เหมือนกับว่าเหมือนกับตอนที่เราสงบหรือว่าเราเข้าฌานอะไรลักษณะอินพิณเป็นการแยกจิตกับแยกกายแล้วมันเลยไม่เจ็บไม่ปวดมันไม่ไป<ร>ยุ่งกร่างก<ร>ายปล่ให้ร่งการเป็นย<ร>อยู่ไปตามธรรมชาติมแล้วแล้วทําไมมันถึงหายไปไครับพอาจารย์ก็มันเป็นอนิจจ์ไอแค่นี้มันไม่มีปัญญาเลย <c oughs> มัในเครื่องมันเป็นอนัตตาแต่ถ้าเราไม่นั่งจนสงบมันก็ยังอยู่กับเรานะครับ มันอยู่มันอยู่ตลอดที่ไหนเดี๋ยวมันก็หายไปอยา้หายช้าหรือหายเร็วนี่ถมมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีคปัญหาไม่ไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความไม่เที่ยงปัญหาอยู่ที่ความอยากของเรามุงที่อยากให้มันหายเร็วๆความไม่หายเร็วๆเราก็เลยทุกข์เราแก้ตัวทุกข์นี่ด้วยการยอมรับว่าจะหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไป ถ้า <c oughs> อย่างที่เคยฟังเทศมาครับพระอาจารย์เอพ่อแม่ครูอาจารย์บางท่านที่แบบว่าท่านป่วยแล้วท่านก็บอกว่าจะไม่ฉันยาอะไรแล้วก็ปิดห้องนั่งปฏิบัติ อ, นอันั้นคือก็นั่งธรรมโอรส่วนใช้ธรรมโอรส่วนรักษาใจของท่านแล้ว <c oughs> ก็ปล่อยร่างกายมันจะหายก็หายไม่หายก็เร็ว <c oughs> <c oughs> ใช้มีใช้ปัญญาเข้าไปด้วยใช่ไหมครับ ก็ใช้ไปใช้น้ า, าเปตายรักเนี่านั่นตายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้มลมไฟเดี๋ยวเราต้องลับเคลืนสุ่ดินน้ำลมไฟไปก็ต้องนั่งอ่ให้ถึงอุเบกขากก่อนด้วยใช่ไหมครับการนั่งจนว่าจ่ายปล่อยวางร่างกายได้ไม่เดือดร้อนกับความเป็นการตายของร่างกายแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเองมันก็มันจะหายก็หายมันจะตายก็ตายมันไม่เกี่ยวกันแต่ใจไม่ไปทุกข์กับมัน ทำ <c oughs> มาโอสถไว้รักษาใจไว้ดับดับความทุกข์ใจแลาไม่ได้ไปแก้โรงภัยแก้เจ็บของร่างกายกามันก็แปลกครับอาจารพอเราสงบแล้วพอเราออกจากความสงบถอดลงมามันเหมือนแบบมันเบามันมันเหมือนมันหายมันก็ไม่ได้ก็ถึงว่าเป็นหมดรลอยได้ไปก็แล้วกันอืม แต่กลไกของมานนั่นก็คืออยู่ที่ใจเราว่าให้คิดว่าเป็นอุเบกขาไปอย่างนั้นก็คือให้เราไม่ไปทุ่มกับร่างกาย <c oughs> ครับที okay. ่แล้วก็อีกเรื่องครัพระอาจารย์เรื่องสัมมาอาชีพรครับอย่างรบวนิษาสอบถามพระอาจารย์ว่าอย่างอาชีพที่สุจริตแล้วก็ไม่ได้เป็นบาปเนี่ยก็คืออาชีพที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้เบียดเบียนใครอย่างนั้นใช่ไหมครับ หรือหรืออาจเป็นอาชีพที่สนับสนุนการฆ่าผู้อก็ไม่ควรทำเช่นขายพวกอาวุธต่างๆนี่ก็ไม่ควรทำถ้ากาอาวุธอันนั้นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างพวกที่เหมือนทำวัตถุมงคลขายแล้วก็ลักษณะแบบนี้เป็นเป็นสัมมาอาชีไหมครับอาจารย์ ว่าถางคนมันก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายตรงไหนนี่นนมันด้ไปทำให้เกิดการฆ่าฟันกันอรไรนโอ้เอ้าวเขาเคยคิดว่าเอ๊ะการเราทาสมมติว่าถ้าเกิดเราจะทำแบบนั้นขายมันเป็นการสร้างความคิดที่มันขัดแย้งกับทางพระพุทธศาสนามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ไม่ไแน่ใจมเป็นบาปหรือเปล่าครับเพราะเห็น คนก็ทํากันเยอะมากมันไม่บาปหรอกเพงแต่ามันทําให้คนหลงผิดทั้งนี้ครับครับมันไม่ใช่ทางสุดท้าหลุดพ้นใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้เป็นการเหมือนกับว่าสร้างบาปอะไรไม่ได้สร้างบาสท่างกรรมเลแต่จริงๆการที่เราเหมือนเราไปสนับสนุนส่วนหนึ่งหรือเปล่าครับว่าพอเราทําปุ๊บเราก็บอกว่าอย่างสมมติว่าอเครื่อง สร้อข้อมืออันนี้ได้ไปปลุกเสกมาแล้วอะไรบ้างมีคุณวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้มันเหมือนแบบเราสนับสนุนแนวคิดที่ให้เขาไปในทางที่ผิดนะครับอย่างนี้มันจะมันก็แต่ไม่บาปจริงหัวก็ไม่ควรทำํำมันก<ม>็<ม>ชีวบตนี้ก็ไม่ควรทําอ้ยใช่ายาดีกว่าขายยาแก้ปวดแก้ปวดท้องปวดซีด่สะนีกว่า ครับโอเคนะอรัขอบคุณครับอาจารย์ครับโอคัีคุณสุภัทราเท็กซัสอยู่ในเมืองรืออยู่นอกเมืองมสักกรแพอาจารย์เจ้าค่ะอยู่อยู่ชานอยู่นอกอยู่ชานเมืองก็ค่ะออกมาทางแถวฟอสต์เวิร์ดแต่เจ้าค่ะก็ค่ะอยู่ใกล้กับวัดเคลเลอร์ค่ะแลคะยลูกก็ไม่ ลูกไม่ค่อยไปันใหญ่ไม่ไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่ากับวัดดาร์สนะเจ้าค่ะแต่ลูกก็ไม่ค่อยได้ไปวัดนะจ๊ะค่ะออมยู่บ้านถ้าวัดติดเชิงมันต้องสงบลูกถนัดกับการอยู่บ้านเจ้าค่ะปฏิบัติอยู่ที่บ้านมันมันอยู่คนเดียวมันสงบกว่าเนาะค่ะอยู่กับสามีแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมายุ่งดีเจ้าค่ะบ้านเป็นวัดดีไหมใช่ใช่เจ้าค่ะวันนี้ลูกมีคําถามเจ้าค่ะ คือพระอาจารย์เคยพระอาจารย์จะย้ำว่าว่าถ้ายังเรียนไม่จบไม่ควรจะไปสอนใครใช่ไหมเจ้าคะก็คือก็ไม่ควรจะไปเป็นสอนแบบเป็นจิตใจลักษณะแต่ถ้ามีใครสงสัยอะไรมาปรึกษาสอนก็เหมาก็ได้แต่ไม่ได้ตั้งตนมาเป็นอาจารย์นันนี้ไม่ปฏิบัติได้จะสอนอย่างเดียวถ้าอย่างนี้ ถ้าอย่างเรายังมีงานเรายังไม่เสร็จแล้วต้องทํางานของเราให้เสร็จก่อนเจ้าค่ะแล้ามีคนเขาสงสัยแล้เขาอยากจะช่วยให้ถามถามบางอย่างแล้วต้องบอกก็ได้ไหมที่บอกได้เป็นไงถ้าเรารู้เจ้าค่ะลูกก็เลยอยากอยากทราบเกี่ยวกับขอบเขตที่จะสามารถที่จะแบบพูดได้หรืออะไรได้พูดได้แต่ว่างานหลักของเราก็ยังอยู่ที่การปฏิบัติของเราอยู่เหมือนเรายังเรียนไม่จบปริญญาเอกเนี่ย ถ้าเราก็ไปสอนคนอื่นนี่มันก็มันก้าวเวลาไปปริญญาเองก็ไม่จบสักทีเจ้าค่ะเพราะสายสาขาที่ลูกเรียนจบมาคือทางด้านการศึกษาพิเศษทีนี้ที่ที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังว่ามีสถาบันหรือการศึกษาที่ติดต่อมาอยากให้ลูกได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาพิเศษคือให้ความรู้กับนิสิตนะเจ้าค่ะทีนี้ลูกเห็นว่าคือเมื่อก่อนนะเมื่อก่อน เมื่อก่อนลูกไม่ได้ปฏิบตัติมันก็เลยไม่รู้ว่าเราอยู่กับความทุกข์มาตลอดขณะทํางาน<ม>พอได้ปฏิบัติเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเราเข้าใจความรู้สึกมากขึ้นและเข้าใจตัวเองถึงการลดอัดตราลงไปเรื่อยๆอเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนกับความทุกข์ค่อยๆลดลงไปลดลงไปลูกก็เลยเอาหัวข้อเรื่องของรักษาสุขภาพจิตนะคะ่ะเ<ม>จ้าค่ะมามาช่วยให้พวกมิสิตหรือครูเนี่ยเขาได้ ฝึกเพื่อที่จะรักษาใจตัวเองให้ให้ไม่ต้องแบกทุกข์มากอะเจ้าค่ะลูกก็เลยเน้นเรื่องของสติคือแนะวิธีการแบบฝึกสติเป็นหลักอะเจ้าค่ะพอจะเป็นขอบเขตได้ไหมเจ้าค่ะ <c oughs> แค่นี้เจ้าค่ะคือขอบเขตอยู่ที่ว่ามันมันนัาเวลาของการปฏิบัติของเราไปหรือเปล่า <c oughs> ถ้ามันแย่งเวลาลวเราไปแล้วก็ควรจะปฏิเสธไปแต่ถ้ามันไม่แย่งเราคิดว่าเรามีเวลาแบ่งให้เขาได้ก็ทําได้ ไม่ปฏิบัติแบบเข้มข้นนะไปทำยัง่งไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ควรไปทำใช่เจ้าค่ะลูกไม่ได้อทํากลับไปเป็นงานหลักเหมือนเมื่อก่อนเจ้าค่ะเป็นแค่<ม>เป็นเหมือนกับวิทยาทานที่แบบว่าอาจจะหลงเข้ามานานๆหลงเข้ามาให้ช่วยอบรมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเรื่องการศึกษาพิเศษแต่ว่า<ม><ม>เป็นงานแบบไม่ได้เป็นงานหลักที่ลูกรับแล้วลูกก็ให้เป็นวิทยาทานลูกไม่รับ าอแทนเจ้าต่ต้องดูว่ามันมาเอาเวลาของเราไปหรือเปล่าเวลากาปฏิบัติของเราไปหรือเปล่าก <c oughs> ้าไม่เอาไปก็ก็โอเคตัวคนข้างเขาต้องเตรียมต้องเตรียม powerpoint ต้องเตรียมเนื้อหา อ, อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยชั่วโมงของการเดินจงกรมก็กลับกลายเป็นว่าเราไปต้องต้องไปนั่งทำ powerpoint อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วก็จะสังเกตดูพรมมันจะต่างกันมากมากเจ้าค่ะ ใจเราทัางนี้จะสงบก็กับฟุ้งซ่านกันมาต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องพรีเซนเทชันที่เราต้องไปทำกันใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะลูกก็เลยตั้งกฎต้องถามกับเราว่ามันคุมหรือไม่คุมอ้ามไม่คุมก็ปฏิเสธไปใช่เจ้าค่ะลูกก็เลยตั้งกฎกับตัวเองข้อจํากัดตัวเองว่าจะจะให้ สำหรับผู้ที่ลูกต้องตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลอื่นลูกก็คงจะขอปฏิเสธเจ้าค่ะเพื่อรักษาเวลาของตัวเองใช่ถึงที่พระอาจารย์บอกเดี๋ยวเดี๋ยวจมน้ำตายก่อนว่าให้เป็นก่อน้วเข้าไมนใลยใช่ใช่เจ้าค่ะเห็นชัดต่างเลยเจ้าค่ะพอแบ่งเวลาไปส่วนอื่นแล้วความคิดเยอะเหมือนเครื่องยนต์มันวิ่งแล้วกว่าจะให้มันชะลอลงมาได้นี่โอ้ ใช่มันเสียเวลาเป็นเป็ น, ปนหลายชั่วโมงหรือเป็นวันไปก็ได้อบางทีนางเป็นนั้นเลยเจ้า <c oughs> ขเข้าไปละทีละที่เลยเ <c oughs> จกก้ก็โอ้ยอยู่ทางโลกนาะเจ้าค่ะ <c oughs> วันนั้นลูกก็คงจะให้ได้เนื่องแค่ของสติน ะ, นะคะการที่ช่วยแนะนำเขาหรือว่าเรื่องสติอย่างเดียว <c oughs> เรื่องของ <c oughs> เรื่องนี้เราจะไม่เคสอนก็เรยนสิ่งท <c oughs> ี่ <c oughs> เราดูแล้วที่เป็นประโยชน์กับเขาอันนี้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะรูปนี้ท่านี้เจ้าค่ะโอเคคุณชนะเน้นเมื่อกี้นั่งอยู่หน้าจออนนี้ไปไหนเลยชนะเน้นได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะไปที่จอยก่อนจอยอัติยาเก้าค่ะได้ยินไหมคะไม่ด้ยินค่ะก็เหมือนเดิมค่ะทําอยู่ที่พ่อางสอน ยอมหยุดเย็นนะใช้สามก๊กขายหยอกบางครั้งก็คิดว่าอืใช้กรร ม, มแล้วกันว่าใช้กรรมไปก็แล้วกันใช้นี่เก่าไปก็แล้วกั <c oughs> <c oughs> นค่ะอดทนทำตามที่พอาจารย์สอนอก็ไปไปใส่บาตแต่ว่าหนูเปลี่ยนที่เพราะว่าบางทีตรงนั้นช้าไปหน่อยอ่ะคะ่ะ <c oughs> ก็เลยไปตรงนั้นเร็วหน่อยอก็ไปที่มันที่มัน นี่เปนคนไม่มีแล้วมันเร็วอะไม่ต้องมารอก็ได้ขับรถไปนะที่ว่างๆนะจอดรถแล้วก็รอหนูแต่หนูไม่รู้หนูเห็นคนอือ่นเขาก็ทำเหมือนกันหนูก็เออทากันเยอะเหมือนกันบางคนก็เป็นตั้งดตกตั้งแต่หัวแถวอะไรก็มีฝั่งซอยเลยก็มีใช่ค่ะยางย่างแม่ตดีวนี้ไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเขาทํางานเช้าก็ไม่ไม่เขาไม่มีเวลาได้ไปเลยเพราะว่ามันสายก็<ๆ>เลยก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่ได้ได้ <c oughs> เนี่ยมันระยะทางสองโลนะประมาณเราบอกว่า อย่าเริ่มตรงหัวการแถวหรือปลายแถวก็แล้วแต่เราค่ะไม่มีอะไรแล้ ว, ว <Okay S 2> คนะ่ะ้าเากล้วค่ะใเยน็ยนๆนะยอมอยู่ันค่ะค่ะโอเคค่ะคุณชฉลนชเลนชิญคุณชฉลนต่ อ, อพูดใดเลยรู้สึกเปิดหมแล้วมาส ก, การครับพาจารย์ครั บ, าารรบนำสักหน่อยอยู่ที่ไหนครับอยู่อยู่ปทุมธานีครับ ไไที่เห็นเห็นไม่เปิดว่านึกว่าเลิกห้องกันแล้วก็จะนุมโมทนาครับอเช้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเหลื อ, อปฏิบัติได้มากขึ้นครับโอเคไปที่ท่านต่อไปคุณสมชายเพนซเวเนียอ่ากสวัสดีครับพระท่านพระอาจารย์วันนี้ เข้ามาฟังธรรมมาฟังหลายๆท่านให้ความออกความเห็นต่างๆผมก็เรียนไปตามนั้นครับีเอเรียนจากประสบการณ์ของคนอื่นก็ได้นะมันหลากหลายชีวิตของคนเรามันหลากหลายปัญหามันหลากหลายอโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมวันนี้ครับตอนนี้ยังครับอขอบคุณมากครับ ยไปี่คุณกลต่อคุณเกนี่ชื่อนัื่อหลงกว่าใช่ัหมการเลือกสักการใช่ครับการมันก่อนพวกเพื่อนเพื่อนอจิตอาสาเข้ามาทํางา น, นกัวผหญิงเด็กๆอ๋อน่าจะเป็นพวกคุณดาวมั้งครับคุณดาวกับพี่ไม่ใช่ดาวไม่ใช่ดาวนะอะัในกลุ่มนั้นจะมีชื่อพี่หญิงพี่ดาวแล้วก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งครับน่าจะเป็นที่นาเอ า, เอาน้าอาคาาปวาใช่ไหมครับ ไม่รู้สึกแกเป็นเป็นพวกผู้หญิงแต่อายุไม่มากเอ๋องั้นไม่แน่ใจเลยพอดีว่าไม่เห็นเขาลงรูปครับแต่แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะตามไปอุบลไปช่วยหลวงพ่อลงกดด้วยครับก็ไปเจอ อ, อาจารย์ภูมครับไปช่วยวคนน้องชอบนะอใช่ใช่ครับวันนี้ก็ไปนวดถวายให้หลวงพ่อมาหน่อยครับท่านก็แข็งบวมมาครับเหมือนท่านเดินบินาบาลเยอะครับอาจารย์ ถ้ายังไม่รับบาตรทั่วๆไปอยู่ตามที่เขานิมนต์มาใช่ใช่ครับก็สัปดาห์ที่แล้วไปขอนแก่นครับเสาร์ที่แล้วไปอุดรวันอาทิตย์คนก็นิมนต์ไปงานบวชลูกชายที่สมุทรสงครามครับท่านก็ไปหมดครับมื่อคารไปสุพรรณไปบิ็นบาลรับอาหารมาอย่างนี้ใช่ใช่ครับแล้วก็มาช่วยคนเป็นโรคเอดส์บ้างแล้วก็คนเดือดร้อนทั่วไปเลยครับแล้วก็ช่วยคนยากคนจนอะไรอางนี้ ใช่ใช่ครับท่านเอาไปแล้วก็ใครที่น้ําท่วมนี่ท่านก็แจกแจกไปหมดเลยครับ mm hmm. นี่แหละครับก็เมตยขัดได้ไปช่วยท่านบ้างครับนี mm ่ hmm. แล้วก็ตตจุนโลกเมตตาขับจุนโลกใช่ครับพระทาจารย์ท่านก็เมตตาก็เอ่อเหมือนท่านบอกว่าเมื่ออังคารที่แล้วท่านวันพุทธที่แล้วผมก็ไปนวดให้ท่านที่อนุสาวรีใช่ไหมครับท่า น, นก็บอกว่ากลางคืน ท่านก็มีแบบตะคิวขึ้นครับเนี่ยขาท่านแบบขาข้างนั้นท่านเคยอุบัติเหตุครับก็เลยแบบข้างขวาจะแบบเออเวลาเดินมากๆเลือดดำลงไปขึ้นมาไม่ได้ก็จะบวมอะไรเงี้ยครับแต่ท่านก็ไปรีดนบาบะทุกวันนะเราไม่เคยค้างที่ไหนเลยครับไปเชายิงกระเบื้อใช่ครับอย่างไปวันศุกร์ที่แล้วไปขวนแก่นท่านกลับเสร็จอท่านบอกว่ากลับเที่ยงคืน อ่าส่งอ้ำเสร็จก็ออกไปอุดรต่อเลยครับท่านไม่เคยค้างที่ไหนครับเหมือนเป็นปาริชนของท่านคราว่าต้องกลับมาจังวัดที่วัดแล้วก็จะไปไหนก็ค่อยไปอีกทีหนึ่งครับเดินทางทา ง, ทางรถทางรถยนต์หรือว่าทางเครื่องบินครัถ้าเป็นอุดรเป็นทางรถเอทางเครื่องบินครับถ้าไกลๆก็เครื่องบินครับยัง เดือนที่แล้วท่านไปภูเก็ตก็ไปเช้าไปเพิ่มเครื่องบินครับแล้วก็กลับเครื่องบินครับไปเพิเพื่อบินธบัตรเนี่ยท่านใช่ครับไปบบเพื่อไเอ่อไปโปรดญาติโยมไปรับเหมือนคนเห็นท่านแล้วก็จะถวายเงินไ อ, อ้ถวายขอสิ่งปจัจจัยลงขันเนี้่ครับสิ่งของก็ขึ้นรถบรรทุกกลับมาคแล้วเครื่องมันไปมันไม่ได้ไปถึงตอนเชา้าไม่ใช่มั น, ม, นมันก็ต้องไป อ๋อหมายหมยถึงพระจะเอ่อหลวงพ่อหลวงปูท่านจะแบบนั่งเครื่องไปจุดอ่าแล้วก็จะมีลูกศิษย์ ม, มารับใช่ไหมครับตอนเย็นท่านก็จะนั่งเครื่องกับส่วนพวกผีของที่บินดับได้ก็จะแ ต, แต่บินดับเป็นตอนเช้าใช้ไหมับไม่ไม่ไม่ใช่ตอนเช้าอ๋อตอนเช้าด้วยครับแต่ว่าเหมือนตอนเช้าแต่เหมือนท่านมันไม่ได้ไปถึงตอนเช้าไม่ใช่เครื่องส่วนใหญ่มันออกเครื่องท่านขึ้นตอนตีอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ก็ไปเช้าครับอืมค่ะ แต่ก็แบบไม่ได้แบบส่วนใหญ่คือมันไม่ออกตอนดึกไม่ใช่หรืไม่ีแต่ออกตอนช่วงกลางวันนะช้ามืดเลยมั้ครับถ้าทำจะไม่พิมนะครับแต่ก็ท่านก็จะไปฉันฉันแค่มือเดียวก็ต้องเป็นวันประมาณเหมือนฉันเพนแค่ครั้งหนึ่งนะครัอ่าก็เดี๋ยววันวันเสาร์นี้เพราะว่าจะไปช่วยท่านอยู่ครับเออแล้วก็เออผมได้ทําสิ่งที่อาจารย์สอนท่านอื่นไว้นะครับที่แบบ ดีที่สุดคือการตอบแทนเพราแม่คือการพาเขาไปทําบุญแล้วก็ได้ได้รู้จักทํามมาครับเมื่อวันเสาร์ก็เลยพาคุณแม่ไปร่วม ง, งานหล่อพระกับหลวงพ่อเยือนครับอแล้วก็ฟังธรรมของท่านครับมีหลวงพ่อเยือนมีหลวงปู่บุญทานทีตะสีโลวัดเขาเจริญธรรมนะครับแล้วก็พระอาจารย์โคมวัดป่าธรรมคีรีครับเมื่อวันเสาร์าเราจะรูปทองคำหนักสามกิโลใช่ ไ, ไหมอ๋ออันนั้น ของหลวงพ่อเยือนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจะเป็นพระพุทธเมตตากับพระองค์นารันธาครับ mm hmm. ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นของเหลว ง, งพ่ออินทวายครับที่เป็นพระทองคําครับ mm hmm. ก็พาแม่ไปเหมือนกันครับคือแม่เขาอยากจะไปทําแล้วก็ไปฟังหลวงพ่ออินทวายเทศครับ mm hmm. ไม่ได้พาท่านไปก็ทนก็ดีใจแล้วก็ซื้อเนี่ยในในงานมีนจะมีบูธของอ ขอของเป็นเป็นรูปเหมือนลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวรับก็จะมีหนังสือมาแจากแล้วก็จะมีเหมือนเครื่องเล่นเล่นเอ็มพีสามนะครับอของของหลวงตาบัวครับก็เลยซื้อให้แม่ฟังเพราะแม่เขาชอบฟังครับก็ได้เจอพระถูกเป็นมโนเพียบเลยเยอะเลยพาแม่มาทํำบุญให้แม่ได้ทำบาริบาให้อะไร น, นะครับร<ะ>น้ตแห่งทรรมนะโนทําห่ปวง และแม่เขาก็ดีใจมากเพราะว่าไปสองวันได้ทําบุญกับสุปฏิโมต์ปโนโทั้งทั้งสองวันเลยครับ <Okay. S 2> และ้ะพระอาจารย์ท่านหลวงปู่บุญทันไหมครับไม่ได้อยู่ท่านท่านท่านออกไปก่อนตอนที่เราเข้าไปวัดตาแต่เคยเจ อ, อเคยเจอท่านท่านเคยว่าไปไปพักอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้อยู่จาพรรษานุ่มกัน อ๋อครับเพราะว่าผมเจอท่านสองวันเลยครับท่านก็ไปบ้านรานเสียงธรรมด้วยเมื่อวันเสาร์ครับท่านก็รู้จักอกรารยท่านก็รู้จักอาจารย์เยอะก็รู้จักครับเป็นอย่างนันเราไม่ไมค่อยไปสังคมกับใคร น, นั่นเองเราไม่ไปเข้างานกับอาจารย์สันโด้ครับเแต่รู้วนะันอาจารย์ทิมถวายก็ไปอยู่ด้วยกันพระอาจารย์เยืนก็เคยอยู่ด้วยกันอรครับ วันและทิศที่หลอเพราะว่าลงคํานี้ควรเยอะมากเลยครับแบบมหาสาลแบบไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้แม่แต่หลวงพ่ออินทวายบอกไม่เคยเจอแบบนี้เลยครับดแล้วก็เออรหลวงพ่อสุธรรมก็ไปอวัดปาบ้านด่างก็คือมีสายพระอ่าทางสายพระป่าทั้งนั้นเลยครับแม่เขาก็ดีใจครับอาจารย์โอเคมีอะไรไหม ไม่มีแล้ครับอาจารย์ <Okay. S 2> ก็ยังปฏิบัติต่อครับอาจารย์ <Yeah. S 2> ขอร่าท่าแข็งกวลาร่ า, ร า, ร า, างแข็งแรงครับสาธุสาธุครับ uh, นี้ก็ไปคําถามทางเฟซบุ๊กม่งหนึ่ายมีเท่าไหร่ว่าอะไรมีคําถามทั้งหมดแปดคำถามเจ้าค่ะสามคำถามแรกจากคุณ The Multiversal Unity ค่ะคําถามแรกกลับนมัสการครับขอโอกาสครับถ้าเรารู้ได้ว่าขณะก่อนทําความดีอยู่ ขณะปัจจุบันทำดีและมีผลดีในอนาคตคือเป็นกุศลเช่นนี้สติสมาธิอยู่ข้างนอกกับปัจจุบันขณะแต่ละขณะที่กระทบเช่นนี้ปฏิบัติถูกแนวทางไหมครับคือถ้าเรารู้ว่าเป็นการทำที่ดีเราทำบบนันก็ดีนก็ถูกคำถามที่สอง การให้ทานในกําลังจิตใจขั้นโสดาบันให้หรือเสียสละได้เท่าไหร่บ้างครับให้พระโสดาบันนะพระโสดาบันให้เขาถามว่าย่งไรถามว่าในการให้ทานของขั้นโสดาบันเนี่ยค่ะให้ได้เท่าไหร่บ้างค่ะโสดาบันนี่ท่านก็ท่านก็ไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัติของของเงินทองทอย่างนี้ค ถ้ามีเหถ้ามีเห็นมีผ น, นให้ท่านให้เท่าไหร่นั้นก็ให้ได้คำถามที่สามถ้าจะเห็นนามธรรมาละเอียดจิตละเอียดได้ต้องใช้สติสัมปชัญญะที่ละเอียดหรือครับระดับใดบ้างครับก็ต้องแต่ต้องได้อัปปนาสมาธิขึ้นไปนะอาจารย์เห็นจิตเห็นนามละเอียดต่าๆ คำถามต่อไปจากคุณชัดท่าเรืออยากให้พระอาจารย์อธิบายการพิจารณาอาวิชชาปัจจาการว่าหมายถึงอย่างไรครับอ๋อนี้มันเป็นเหมือนแผนผังของการทํางานของอวิชชาเลอวิชชานี่มันเหมือนเป็ น, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นตัววงการเป็นเป็นผู้สั่งการให้จิตให้จิตคิดปรุงแต่งด้วยสังขารแล้วก็ส่งไปที่วิญ ญ, ญาณให้วิญ ญ, ญาณ พาไปหาลูกเสียงกินนนทที่ตาหูจมูกนิ้งกายพอเป็นตาหูจมูกนิ้งกายไปสัมผัสกับรูปเสียงกินนท์ ก, น ก, น ก, น ก, นก็เกิดเมตนาความรูส้สึกสุขทุกขึ้นมาเป็นความรูมส้สึกสุขทุกก็เกิดปัญหาความอยากไม่อยากขึ้นมาแล้วก็เกิดอุ ป, ปทานเกิดเกิดภพเกิดชาติเกิดการเรียนว่าตายเกิดตามมาต่อไปนี่คือการทา ง, งานของวิชา อภิชาผู้สังการให้จิตไปหารูปเสียงดีแล้วมาเสดมาเสดแล้วก็ติดก็อยากจะเสดอยู่เรื่อยๆพอร่างกายๆายไปก็ไปเกิดใหม่เพื่อจะได้กลับมาเสดใหม่คำถามต่อไปจากคุณอูอารมณ์ในจิตใจที่ควบคุมไม่ได้เรียกว่าสัพเพธรมาอนัตตาใช่ไหมคะ ทุกอย่างมันเป็นสิ่งใดที่เนการเกิดในการดังมันกะ็เป็นอนันตาทางนั้นมันเป็นสิ่งที่เราบางทีก็ควบคุมได้บางทีก็ควบคุม ไ, ไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณเพ็กกี้นนท์น้อมกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมิตคืออะไรเจ้าคะยมนั่งสมาธิไม่เคยเห็นนิมิตเลยค่ะ แล้วชาระดับไหนจึงจะเห็นเจ้าคะกราบข อ, อ, อ, ของพระภูมิเจ้าคะ่ะการไม่เห็นนี่ไม่แน่ดีนีนิม่ไม่เป็นสิ่งที่สำคัญไม่จำเป็น ต, ต่อการปฏิบัติการปฏิบัตินี่ต้องการเห็นความว่างถ้าเห็นนิมิตดี่ส่วนใหญ่มันก็เกิดจากการปรุงแต่งของจิตเราเองนั่นไม่ไม่มีมันก็ดีกว่าถ้ามีก็แสดงว่าจิตเราเผลอไม่มีสติเพราะไม่มีสติเนี่ยมันก็ปรุงแต่งสร้างนิมิตต่างๆขึ้นมาหลอกใจเรา อย่าไปสนใจเวลานั่งสมาธิถ้ามีนิเมิตก็อย่าไปสนใจให้กลับมาอยู่ที่พุโทโธพุโทโธอยู่ที่ดอกไม้ใจอย่าไปตามนู้ดนิมิตคําถามต่อไปจากคุณมนชัยขออนุญาตเรียนถามการกระทบแต่ไม่ร่าเร้อนแต่กลับมีความเมตตานี้จิตเราหลอกตัวเองหรือเปล่าครับทั้งทั้งที่ควรจะกระทบ และจบด้วยการที่ใจกินอารมณ์ครับก็แล้วแต่ว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆหรือเกิดขึ้นครั้งเดียวถ้าเกิดขึ้นคังเดียวว่าแสดงว่ามันยังไม่ยังไม่ชํานาญมันยังไม่เก่งแต่ถา้ามันไม่มันไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่มากระทบได้ทุกครัง้งมันก็ถือว่าเป็นของจริงคำถามต่อไปจากคุณปุ้ยอยากทราบว่า ถ้าเราผิดศัจจะกับตัวเองเช่นตั้งใจว่าจะสวดมนต์กับนั่งสมาธิทุกวันแต่ก็ไม่สามารถทำได้ตลอดอย่างนี้ถ้าคิดว่าทำเท่าที่เราทำได้มันก็เหมือนไม่พัฒนาทั้งๆ ท, ที่ดูแลตัว เ, วเองและดูความคิดตลอดนะคะบางทีดูทันบางทีก็ดูไม่ทันนะคะจะแก้อย่างไรให้ไม่ผิดสัจจ์กับตัวเองคะ่ะ ก็เราต้องดูว่าเรามีความสามารถมน้อยเพิ่มไหมอย่าไปตั้งสัจจะเกินกำลังของเราอย่าไปโล่มากเราต้องการส้งตามกำลังของเราไปก่อนแล้วเราค่อยเพิ่มทีละขั้นทีละขั้นไปไม่ใช่อยากจะได้ร้อยเปอร์เซ็นตก็ตั้งม100ันร้อยเปอร์เซ็นเราพอถึงเวลาจริงๆก็ทาไม่ได้ทำไม่ได้ก็ลดลงมาห้าสิเปอร์เซ็นตก่อนไม่ได้ห้าสิบเอร์ซ็นก็ต้งลงมายี่สิเปอร์็นตก่อน ได้ 20% แล้วอั้ต่อไปเขาเพิ่มเป็น 25% นึ่ง 30% ไปคำถามสุดท้ายจากคุณมิลินค่ะกลาบนมิศ ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่เราเจริญสติสมาธิปัญญาตอนมีชีวิตหลังจากที่เราตายในระหว่างที่จิต รอรับร่างกายใหม่ที่ควรแก่สภาพจิตทุกประการจิตที่ยังไม่มีร่างกายยังสามารถฝึกฝนอยู่ร่ําไปไหมเจ้าคะชั้นใหญ่ยังฝุดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันไม่มีสติเอาะไม่มีสติมันก็หมายคนนอนมันก็อยู่ภายใต้ผลของบุญบาปพาไปนอกจากถ้าเป็นพระอริยบุคคนตั้งแต่พระสาสดา์วนขึ้นมาเนี่ยท่านสามารถท่านมีสติสามารถควบคุมจิตใจของท่าน ให้ปฏิบัติต่อไปได้ในขณะที่ไม่มีร่างกายเป็นเทว์ว่าปฏิบัติต่อได้เป็นพงว่าปฏิบัติต่อได้หมดแล้วเหรอคะถามหมดแล้วเจ้าค่ะอ่าคุณมาดีมาดีวันนี้เข้ามาสุดท้ายเลยนะทำไมท้ายแถวตลับหลวอองพ่อค่ะพอดีวันนี้กลับมาช้าค่ะทํางานเลิกคนเลิกดึกไปหน่อ ย, อยางานเยอะนะแล้ว เ, เข้าใจากันพิเศษให้ร้อน่อ ออไม่ไม่ได้ค่ะไม่ได้เดี๋ยวเรายังทําให้เขอีกเป็นหน้าที่ค่ะที่เขาจะเอางานเนี่ยค่ะก็เลยเขาไม่ชดเชยเวลาของเรามากไม่ให้ไมไม่ค่ะเขาใช้งานระหัวขนาดนี้เลยเขาจะให้เพราะเด็กๆอ่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบคนที่แบบผู้ใหญ่หน่อยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ให้นะคะเล่กี่มองเนี่ยเคยไหม เออเนี่ยหนูกลับมาประมาณสามจะสามสามทุ่มกว่าแล้วค่ะใช<ต>่แ่ตอนนี้นนนลิกเกกี่โมปกติเลิกห้าโมงเย็นนะคะแ ต, แต่คืนนี้เลิกกี่โงคืนนี้คืนนี้ยังยังไม่เสร็จเลยค่ะเนี่ยรอรองงานอยู่ด้วยอะค่ะโอ้ี่อยู่ที่ทํา ง, งานค่ะห น, หนูหนูกลับมาที่บ้านแล้วกลับมาที่อคอนโดนแล้วอะค่ะเอะเอาอย่างที่ทํงางานกี่โมงสามทุ่มหน่อยๆะคะ่ะ เป็นยี่บ่อยไหมอื็เมื่อก่อนมากกว่า น, นี้ค่ะเมื่อก่อนบางทีอยู่ถึงเช้าเลยอ๋องานอะไรบ้างทำบัญชีค่ะ โ, โอเคอ ถ, เถ้าเรามีาความสุข ก, ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นไรมันก็ก็สนุกเมื่อก่อนนะก็แบบเออทาได้เรื่อยๆอะไรเงี้อ ย, อยแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่สนุกแล้วค่ะหลวงพ่อมีความรู้สึกแบบ เหมือนทุ่มเทเยอะเกินไปอะค่ะหลวงพ่อ<ค>นนอนตญบแทนมันซื่กว่ามาปฏิบัติธรรมไม่ได้นะมันมันมันไม่ได้มาทางนี้เยอะไม่ได้มาทางธรรมเยอะอะค่ะตอนตอนช่วงประมาณยี่ยี่สิบกว่าปีที่ทำงานนะคะคือจะคือเป็นคนชอบทำงานทาก็ทำทาเต็มที่เลยะค่ะหลวงพ่อ เหมือนถ้าหนูหนูไม่ได้ทํางานแล้วถ้ากเกิดหนูมาปฏิบัติทเนี้หนูก็อยากแบบเต็มที่อย่างที่เรียนหลวงพ่อ่ะเวลาทําไหนูก็ทําเต็มที่เลยอะคะ่ะก็ไม่เป็นไรถ้าเราทํำถ้ามันมันเป็นประโยชน์เราไม่ทุกข์ก็ทาไป <c oughs> ตอนตอนนี้ก็พยายามพยายามจะห่างห่างออกมาค่ะหลงพ่ออืมดีทําให้มันน้อยหน่อย ค่ะเอาเวลามามาปฏิบัติธรรมดีกว่าใช่ค่ะอย่างยัางวันนี้สาดึกก็ไม่ได้คือหนูก็ปฏิบัติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเสียดายเวลาที่ที่เราควรจะมามาปฏิบัติต่อไม่ได้เยอะอะไรเนี้ยอันนี้มีอะไรไหมอนนี้หนูก็ปฏิไม่ไม่ไม่มีอะไรเท่าไหร่ค่ะคือหนูยังปฏิบัติอยู่แต่ว่า ก็ยังมีสงสัยนิดนึงค่ะหลวงพ่ อ, อยังสมมติเราปฏิบฏัติจนจนสติเนี่ยมันแนบกับลมหรือว่ากับจิตเนี่ยมันจะเป็นนันเดียวกันไหมคะหลวงพ่อถ้าเราฝึกเยอะๆอะคะ่ะก็สติกับจิตเนี่ยมันก็เป็นตัวรู้จิตก็ตัวเราสติก็เป็นตัวที่หนึ่งจิตให้รู้แม่เผอค่ะแล้วจะเรียกว่าเป็นตัวเดียวกันหรือไม่เราก็ไม่รู้แหะมันก็ S <S ไม่สําคัญสำคัญทีญ่เราไม่ไปคิดปูดแต่ก็คือพยายามให้มันสงบที่สุดให้ให้มันไม่รู้เฉยเฉยไม่ต้องเฉยเแล้วแล้วหนูสงสัยว่าแล้วที่ที่ฝึกจนเป็นมหาสติเนี่ยมันเป็นยังไงคะหลว่ <S <S อก็ไม่เพอิดเลยไม่เพลิดไปมากเรื่องนั้นคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้อยู่กับนานที่เราทำตลอดเวลาอ ย, ลอยู่กับสิ่งอยู่การเคลื่อนไหวอยู่กับพุโทโธตลอดเวลาค่ะอืม แล้วตอนนั้นจิตมันจะมันจะอยู่กับการพิจารณาเป็นส่วนใหญ่มันอยู่ขั้นระดับปัญญามันจะพิจารณาตายนั่งพิจารณาอะไรต่างอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้าใจเพื่อจะได้ปล่อยวางค่ะโอเคดูท่านี้ใช่ไหมค่ะหลวงพ่อกลับเพราะว่าวคุณหลวงพ่อค่ะอันนี้รู้สึกว่าทุกคนก็ได้ถามคำถามหมดแนละ้ว ไม่ทรามีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็เราก็จะได้พระอะระาจ า, ารยมีไหมมีแหละครับคุณนันทภัทครับอ่านันทภัทรมามาเขอโอกาสอีกนิด น, นึงเจ้าค่ะพระอาจารย์ ล, ลูกสงสัยเพิ่มเติมนิด น, นึงเจ้าค่ะถ้า เป็นกรณีของผู้ที่บรรลุธรรมถึงที่สุดแล้วคือจะสักแต่ว่าเป็นเป็นสักแต่ว่าเป็นอุเบกขาตลอดลูกเข้าใจถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์อุเบกขาแต่ท่านก็ยังสามารถที่จะพูดจะตอบโต้อะไรได้ตามเหตุตามผลแต่ไม่ได้ตอบโต้ด้วย อ, อย่างคนไปถามคำถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาตอบได้ไม่ใช่เฉยไม่ตอบเป็นพระนิ่ไงไปไม่ใช่เงี้ไม่ใช่เป็นทร า, าไม่ไป แต่ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เราที่ที่เขาถามหรือที่เขาพูดถ้าถมมาทําพิจารณาด้วยเห็นด้วยคนก็ต้องตอบก็ตอบถ้าไม่มี เ, เหตุให้ตอบก็ไม่ตอบนะนี้แต่จะไม่มีอารมณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างอก็ยังสามารถกระทําอะไรตา่างๆต่อเหตุการณ์ต่างๆได้ตามเหตุตามผล แต่ก็คือทำไปด้วยความไม่มีรักชังกลัวหลงอ่าถูกต้องค่ะเจ้าค่ะเป็นก<ข>เกว่าเป็นกิิยาไม่มีอารมณ์กับกิิยานะนะเปนกิยานุ่นนนค่ะเจ้าค่ะเ ข, นะข้าใจนะเข้าใจเจ้าค่ะก็ขอบคุณจัค่ะอ่าแลใครมาคำถามจากเ c e บุ๊ k อีกคำถามหนึ่งะนะพเจ้เอาว่ามา คำถามจากคุณมนะชัยเป็นคำถามต่อเนื่องจากที่ถามเอาไว้ค่ะว่าการที่เขามีสิ่งที่มากระทบแล้วกลับไม่เล่าร้อนแต่มีความเมตตาเขาเรียนถามว่าอาการนี้เขาเป็นถี่ขึ้นและมีอาการกระทบใจกระทบแต่เหมือนไฟตกลงในน้ำคือร้อนพลับแล้วดับเลยอย่างนี้เป็นอาการของจิตในลักษณะใดครับ ก็คุณก็รู้อยู่อยถางมาถามมาทำไมนะมันก็พยายามทําให้มันเย็นไปเท่านี้อย่าทำให้มันนอนมันรอางก็ทําให้มันเย็นนันหน้าที่ของเราคือการปฏิบัติให้จิตเราเย็นไม่ให้เราไปทุกข์ไม่ให้ไปวุนน่นวายครับว่าคสิ่งต่างๆไม่ใช่มามาถามว่าจะมาดูว่ามันเป็นอาการอะไรอย่างไรไม่มันไม่สําคัญสําคัญอย่างที่ว่าเราควบคุมใจของเราให้นิ่งเฉยได้หรือเปล่าเท่านี้ โอเคนะมันอาคุณสุภัสตาลูกขอคําถามหนึ่งเจ้าค่ะพอดีเ ม, มื่อเมื่อที่อมีนิสิตเขาถามลูกอะคะ่ะที่ลูกให้อบรมเขาไปเขาบอกว่าอจิตแพทย์นะเจ้าค่ะคือลูกสอนเขาวิธีแบบฝึกสติทีนี้เขาบอกว่าจิตแพทย์เนี่ยบอกให้เขาเนี่ยเวลาเขาไปพบจิตแพทย์เนี่ยจิตแพทย์บอกให้เขาว่าให้ดูความให้ให้ดูเข้าไปในความคิด แล้วก็หาให้ได้ ค, คือคือตามความคิดเขาไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วแล้วนิสิตคนนี้เขาก็บอกว่าพอเขาตามไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเขาบอกเขาเขาแบบมันอึดอัดมันทรมานแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจกังวลเป็นอย่างมากอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ<ช>เขาก็เลยถามว่าทาไมทาไมที่ทำไมที่ลูกบอกเขาในการฝึกสติกับที่จิตแพทย์บอกไม่มันมันค่อนข้างจะต่างกันนะเจ้าค่ะหร<ก><ล>ือให้ดูปลง ทานจิตแพทย์เขาคิดว่าการไปนั่ความคิดจะทําให้เขาได้คําตอบแต่ทางศาสนาพูดว่าคําตอบอยู่ที่การหยุดคิ ด, ดคเจ <laughs> ้่ะพอหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบจิตก็จะมีความสุขพอมันสุขแล้วมันปัญหาต่งตางๆมันก็หมดไปแล้วนี่ <laughs> ที่มันมีปัญหาเพราะมันไม่มีความสุขแล้วมันก็พยายามจะวิ่งหาความสุข ม, มันก็ไปวิ่งหาเหตุเพราะทําไมกูมไม่สุขทําไมกูทุกข์ ยิ่งหา ม, มันก็ยิ่งเหมือนงูปินหาเงี้ยไลย่ไปไม่เปวันจบเจ้าค่ะวิธีห า, าอตอบที่แท้จริงคื<อ>หยุดคิเจ้าค่ะเพราะว่าลูกใช้วิธีที่พระอาจารย์สอนแล้วถึงแม้ ว, ว่าตอนแรกอาจจะแบบค่อนข้างจะดึงกันไปดึงกันมาคือเหมือนกับต่อสู้กันจะอึดอัดแต่ว่าถ้าเราหลุดจากตรงนั้นได้เนี่ยมันจะเห็นผลเลยว่ามันจะเบาแล้วเราจะควบคุมได้มากขึ้นนะเจ้าค่ะใจเราเรียนสบายแล้วเราสามารถควบคุมความวิ่งต่างๆที่ไม่ดีได้ ใช่เจ้าค่ะนิสิตก็เลยพูดคิตทศแพทย์ก็เขาก็นั่งคิดไปแล้วก็ตั้งทฤษฎีต่างๆขึ้นมาไม่ไม่ถูกอ่ะนี่สิตก็เลยบอกว่ายิ่งทํายิ่งรู้สึกเศร้ายิ่งทําแล้วยิ่งจริงเป็นบ้าเลนี้ไม่ดีเป็นบ้าเลยเจ้าค่ะมูร์ก็เลยบอกมูร์ไล่ไล่น้ำหางตัวเองไลเท่าไหร่มันก็ไม่มันก็ไม่ถัดเจ้าค่ะ ลูกก็เลยบอกเขาว่าก็ลองลอ ง, ลองเทคนิคที่ลูกให้เขาไปแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วการถ้าทําแล้วมีความสุขอันไหนมีความสุขมีความสงบเบ า, าสบายก็ก็อนนะลองตัดสินใจดู น, นะครับเ <laughs> พราะคนเราทั้งหมดเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยก็เพื่อหาความสุขกันเท่านั้นที่ทุกันเพราะหาความสุขไม่เจออกันใช่ไหมที่ซึมเศร้าเพราะครูอยากจะสุขกขอยากจะสุขทําไมครูไม่สุขสักทีมันก็เลยซึมเศร้าไป แล้วมันไปเจการที่ทําให้มันเครียดอย่างนี้มันก็ต้องจัวิธีทําให้มันหายเครียดยังไงก็ PTSD อย่างนี้ใตัวลูกก็เลยลูกก็เลนั่งเข้าไปยังไงใช่เจ้าขาจะสติจิตมันจะไปคิดถึงเรื่องไม่ดีก็หยุดมันซะทหมดเรื่องมันหยุดมันได้แล้วมันก็หายไปถ้าเราเครียดต่างๆก็หายไปค่ะ ก็เลยทำให้รู้แบบโอ้โหแบบคือนิสิตหรือหรือคนไข้กลุ่มนี้พอได้พบจิตแพทย์ที่เขาเข้าใจแบบเนี้ยคือจิตแพทย์รู้คิดว่าบางทีเขายังไม่เข้าใจถึงถึงเรื่องของจิตนะเจ้าค่ะแล้วพอเขาเอาไปสอนอย่างเงี้ยมันก็เลยไปบอกคนไข้ก็เลยทําให้คนไข้จริงๆยิ่งทุกข์กว่าเดิมเครียดกว่าเดิมมาเจ้าค่ะวิธีแก้ไปแล้วเขาคือให้กินยากล่อมประสาททั้งนั้นเลย พอเวลาหยุดคิดเวลากลินยาของภระาทไปมันก็หยุดคิดชั่วคราวมันก็เลยหายเครียดไปชั่วคขาวแต่มันไม่ติดยาเลยต่อไปมันจะไปกิดยาเจ้าค่ะอันตรายเจ้าค่ะลูก<ช>ก็เลยบอกโ อ, โอ้โหดีนะที่เราแบบศึกษาตัวเองก่อนพอเราศึกษาตัวเองเราถึงที่จะไปให้คําแนะนําคนอื่นได้บ้างตามที่เรา<ช>ได้ผ่านมาเจ้าค่ะเป็นประโยชน์มากมากเราต้องซ้อนจากประสบการณ์ อบ่ไปสอนจากทฤษฎีทฤษฎีมันยังยังไม่รู้ถูกก็ผิดยังไงเจ้าค่ะใช้เวลาเจ้าค่ะใช้เวลามากมากกว่าจะเข้าใจต้องใช้เวลาเยอะมากเลยเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์สอนตอนต้องสอนตนก่อนก่อนจะไปสอนผู้อนใช่เจ้าค่ะถ้ายัางสอนตัว เ, เองไม่ได้ไปสอนผู้อื่นไม่ได้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโอเคนั่งบทนั่งใช่ไหมคนนี้ จิบกับอาจารย์อ่าบเหรอจบกับจิตอ่าจิมาแล้วเหรอจาการกับอาจารย์เมื่อกี้โยมเข้ามาแล้วทีนึงค่ะแล้วพอดีมีประชุมก็ออกไปแป๊บนึงแล้วถามคุณหลาว่ายังเข้าได้อยู่มคุณห่าวบอกยังได้ได้ยังได้ค่ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอรค่ไม่มีอะไรค่ะละลึกถึงพระอาจารย์คือก็คิดเลยค่ะเข้ามาค่ะทายพระอาจารย์ค่ะโยมก็ไม่มีอะไรค่ะก็ไปทาบุญก็ก็ใช้ วิธีประตุฉกปุะตูชนตอนนี้ก็ทําทําทําให้ดีที่สุดในแต่ละวันนะคะมันก็มีเรื่องมากระทบใจแต่เหมือนเราเจอเรื่องของเพื่อนเพื่อนมีเรื่องมากระทบเขาทะเลาะ ก, กับสามีเราก็ ум, ดีนะที่เราหนุดบวงนั้นมาได้ก็สอนเราอาเอาเราเป็นตัวอย่างดูเราเป็นตัวอย่างอันนี้นเรยู่ตรนี้สบาย <ส bilmiyorum. S 1> คือไม่ใช่ว่ามันคือเหมือนกับพเวลามันมีลูกนี่มันจริงๆเลยนะสระคพระอาจารย์คือถ้าเป็นคู่สามีภรรยากันถึงในเรื่องไม่เข้าใจกันเลิกกันมันยังมันยังคุยกันง่ายแต่พอมีลูกมันเกิดความห่วงเหมือนที่พระพระพุทธเจ้าท่านตั้งลูกชายชื่อว่าลาหุนใช่ไหมคะคือมันมันใช่มันคือความจริงที่จริงๆเลยค่ะเวลามีเรื่องอะไรแบบนี้มันทําให้เราต้องรู้สึกแบบ เรต้องอดทนเพราะมีความเป็นแม่อดทนเพราะมีความเป็นเมียอดทนเพราะอยากออพักษาครอบครัวคือแบบเอมันเห็นแล้วเราก็แบบเออเราออกมาได้แล้วโอเคก็ยังยังดีขอบคุณบุญเก่าที่ทำให้เราออกมาได้ไะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะกลับข้อมูลใหม่ก็แลกันไม่ไมาแล้วค่ะวจากการมาตามจีนมาเดี๋ยวใจออนอย่างี้ยโอ้แม่ค่ะถ้าหนูยมขอตั้งแบบถ้ามีไม่ได้แบบว่า เข้าถึงมาพุดถศาสนาไกรโยมไม่ได้ก็ไม่มีสี่ห้าอย่างน้อยก็อย่าอย่าเจอเลยเัวค่ะไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์คิดถึงอาจารย์นะคะเดี๋ยวออกไปทํางานแล้วค่ะช่วงนี้ภาสีมันมันจะดิววันศุกร์นี้แล้วเลยแบบปั่นเนี่ยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะค่ะสาธุค่ะโอเคนะคืนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ ออขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อขับสนความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ